มาจากไหนกันนะน่านตะบูร์น่านตะบูร์ปากเกร็ดนะเคยมาป่ะ เ, เคยมาแล้วแหละอันนี้น้องไม่เคยมาก็เลยพาลอกชายมาด้วยค่ะอ๋อ อยากจะมาทำอะไรอยากมาทำอะไรย่าประกาศพ้าอาจารย์ครับกล่าวก็ได้เลยได้ความสุขครับผมหม่ช้ามีแม่คนหนึ่งเอาลูกชายมาต่อจะให้ลูกไปเรียนเมืองนอกอายุคงไม่ประมาณสักสิบสองสิบสองขวบ ก็ให้อยให้ลูกมาล้างเท้าให้ผ้าจานเพื่อเป็นมงคลนะเราบอกว่าอย่าไปล้างเลยเราล้างของเราทุกวันไเห็นมันเป็นมงคลถ้าอยากจะเป็นมงคลก็อรักษาศีลดีกว่านะอย่าไปฆ่าอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดไปเลยนี้อย่าไปพูดปลดอย่าเปดื่นโซดาเนี่ยเมาอันนี้แหละเป็นมงคล ไม่ทราบใครเข้าไปสอนอยังไงไม่ทราบว่าล้างเท้าพระเราจะได้เป็นมงคลคือมันก็มีส่วนแต่มันเป็นคนละมันเป็นส่วนน้อยมองคลนี่หมายถึงให้เราหัดเป็นแจ๋วเขาจะไม่หัดเป็นคนรับใช่อย่าถือเนื้อถือตัวเาราล้างทางให้คนอื่นได้แสดงว่าเราไม่ถือเนื้อถือตัว ถ้าจะถ้าจะจริงถ้าจะเก่งจิงต้องเหมือนกับสันตปาปาท่านไปร้างท้าให้กับพวกคนที่ติดคุกนะล้างท้าให้กับคนที่ยากจนออันนั้นสแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนพราการถือเนื้อถือตัวนี้เป็นความหลงเป็นกิเลสทําให้เป็นความทุกข์ได้พอเราถือว่าเราสูงเี่ยพอเรา ใครก็มาทำอะไรนิดอะไรหน่อยไม่เหมาะกับความเป็นสูงของเราเราก็จะโกรธเราก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราทำว่าเราเป็นเหมือนคนรับใช้คนล้างเท้านั้งเท้าของคนอื่นได้เราจะไม่ถือเนื้อถือตัวใครจะดูดูถูกดูแคลนเหยียดย่ำเราล้วก็เฉยเฉยเพราะเราก็เหมือนกับเป็นคนคนต่ำต้อยคนที่ร่างเท้าของให้กับคนอื่น เป็นคนรับใช้นี่คือความหมายให้ให้ลดละอัตตาตัวตนตสานรับเด็กนี้ให้เขามาทำเขาก็ไม่เข้าใจให้เขาทำแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้เขาหลงได้ก็เลยต้องสอนเขาบอกว่ารักษาศีลดีกว่านะอย่าโกหกอย่าลักทรัพย์อย่าฆ่ามดมาแมลงยุงอะไรต่างๆ แล้วนี่หละเป็นมงคลจะทำให้ชีวิตเราสุขให้เราจเจริญการล้างเท้าผู้อื่นก็ดีแต่มันถ้าล้างเป็นเพียงพิธีอย่าไปล้างล้างคนเดียวแล้วพอไปเจอใครก็ไปดูถูกเหยียดหยามเพราะอย่างนี้ไม่ถูกถ้าจะล้างต้องล้างทุกเจอใครก็ขอล้างมันทุกคนเลยพี่ขอล้างเท้าหน่อย ไ ม, ไ, มไม่ใช่มันจะมาเลือกล้างเท้ากับพระเอาเดียวอแล้วจะเป็นมงคลการกระทําอะไรผลเดียวมันไม่เป็นมงคหลหรอกมันต้องทําบ่อยๆทําเยอะๆเหมือนหาเงินเราหาหนเดียวเ่กันลาหาเงินนี่เราหาไม่หยุดไม่หย่อนเลยในชะ่ไหมอา่ายิ่งหาได้มานนกเท่าไหร่ยิ่งบ่อยยิ่งดีในชะ่ไหมอ่ามงคลก็เหมือนกันเหมือนเงินทอง ถ้าอยากจะได้มงคลเยอะๆต้องกราบพระต้องกราบคนนั่นกราบคนนี้คือยอมเขาอ่ะอย่าไปถือว่าเราใหญ่กับเขาเก่งกับเขาดีกับเขาให้รู้จักคำว่าแพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงไหมแพ้เราไม่มีศัตรูชนะเรามีศัตรูเพราเราไปทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำัยเวลาเราชนะเขา แต่ถ้าเวลาเราแพ้เราทำให้เขาดีใจเขามีความสุขใจเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราถ้าเราชนะเขาราทาให้เขาเสียหน้าเสียตาทำให้เข า, เ, าเสียประโยชน์เนี yeah. ่ยเขาก็จะไม่ชอบเราเกลียดเราเป็นศัตรูกับเราเป็นคู่ต่อสู้กับเราเังนั้นให้เรารู้จักคำว่าแพ้รู้จักคำว่าเป็นผู้น้อย อ่อนน้มถ่อมตนอย่าไปถือเนื้อถือตัวตำแหน่งต่างๆฐานะต่างๆนี่มันเป็นสมมติเป็นเหมือนบทละครที่เราเล่นกันคนที่เล่นละครนี้เขารู้ว่ามันเป็นเพียงบททัานเองบทบาทให้เขาไปเป็นนายอาเภอให้เขาไปเป็นเจ้าของบาร์ให้เขาไปเป็น ลูกจ้างอะไรพวกนี้ตัวแสดงเขารู้ว่าเป็นเพลงบทบาทเท่นั้นเองเป็นตัวจริงๆก็เป็นตัวแสดงเหมือนกันนะเราทุกคนนี้ก็เหมือนกันคือตัวมีร่างกายกับใจเหมือนกันใจก็เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆทีนี้เรามาเกี่ยวข้องกับโรงละครเขาบอกคุณ ต้องเล่นบทนี้นะคุณเกิดมาในครอบครัวนี้เขามีบทบาทอย่างนี้คุณก็ต้องเล่นกับตามบทบาทของครอบครัวนี้คุณไปเกิดอีกครอบครัวหนึ่งเขาก็มีอีกบทบาทนี่งเช่นไปเกิดในครอบครัวของขอทานคุณก็ต้องไปนั่งขอทานถ้าไปเกิดในครอบครัวของเศรษฐีเขาก็บอกว่าคุณไปนั่งนับเงินมีหน้าที่ต่างกัน แต่ก็เป็นบทละครเพราะละครเรื่องนี้มันต้องจบกันเราไม่ได้เล่นไปตลอดเดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายไปบทบาทที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก็หมดไปเหมือนเราเลิกเล่นละครเรื่องนี้แล้วพอเราไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเกิดในโรงละครเรื่งใหม่มีบทบาทใหม่ให้เล่นอีกชาต ชาตินี้อาจจะมาเกิดเป็นขอทานชาติหน้าอาจจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมันมันไม่แน่นอนการมาเกิดของเรานี้มันมีเหตุหลายอย่างเหตุที่สำคัญก็คือบุญกับบาปที่เราได้ทำไว้ในอดีตทำให้เราได้มาได้รับบท ด, ดีแล้ว ร, รับบทไม่ดีให้เป็นคนรวยหรือเป็นคนจนให้เป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาด ให้เป็นคนดีหรือไม่ดีให้มาเป็นพระหรือให้มาเป็นโจรมันแต่ละคนนี่มันมีเรียกว่าบุญบาหรือบุญกรรมเป็นผู้เขียนเมือนเป็นผู้กํากับผู้เขียนบทบาทภาพยนตร์นี่โรงละครนี่ก่อนที่เขาจะเล่นได้ก็ต้องมีคนเขียนเรื่องก่อน อย่างละครเรื่องนี้มีะมีคนเล่นกี่คนคนเล่นแต่ละคนต้องเล่นบทไหนบาทอะไรกันเนี่ยผู้ที่เขียนบทบาทของเราให้เรามาเล่นเป็นคนดีคนชั่วคนสูงคนต่ำนี้ก็อยู่ที่บุญที่บาปเราได้ทำไว้ในอดีตตอนนี้จะเป็นผู้ที่กำหนดเา็าเรียกว่ากรรมลิขิต กรรมคือการกระทําของเราทําดีก็เรียกว่าบุญทําไม่ดีก็เรียกว่าบาประ้วบุญกับบาปรือกรรมนี้ก็จะเป็นผู้วิคิดอนาคตของเราว่าเราจะไปเล่นบทไหนอย่างชาตินี้เราก็ถูกกรรมวิคิดให้มาเล่นเป็นพระทั้งๆ ท, ที่ไม่เกิดมาไม่เคยคิดอยากจะเป็นพระเลยแต่มันก็มีเหตุผลให้มันมาทางนี้น นั้นตาก็เดี๋ยวตายไปก็จบถ้ากลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็นอะไรอาจจะมาเป็นวิงก็ได้เป็นสุนักก็ได้ถ้าไปทำบาปไว้ฉะนั้นเราอย่าถือตัวกันอย่าหลงให้มองสถานภาพของเราว่าเป็นเหมือนบทละครเป็นตัวละคร หมือนหัวโขนที่เขาสวมให้ให้พวกโขนเขาเล่นเขาใส่กันคนนี้เป็นทศกัณฐ์นะคนนี้เป็นฮนุมานนะเขาก็มีหัวโขนใส่ให้เป็นบทบาทนี่เราก็มาเกิดให้มาเล่นเป็นอย่างเนี้ย<ม>ก็ต่ำบ้างสูงบ้าง<ม>ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ให้รู้ว่าเป็นบทบาทถ้าจะเล่น ถ้าจะเล่นให้เล่นแบบอย่าไปหลงกับมันพยายามปรับบทของเราได้ท่านก็ให้วิกฤตให้เรามาเล่นบทไม่ดีให้เรามาเป็นโจรเราก็เปลี่ยนได้เราก็พยายามอย่าไปป้นอย่าไปรักสมุรรักขโมยเปลี่ยนอาชีพไปหาไปเรียนหนังสือไปหาความรู้ เราจะได้มีงานทำที่เป็นอาชีพสุดจริญไม่ต้องไปป้นไม่ต้องไปเป็นโจรถึงแม้ว่าเราจะถูกวิกฤตมาให้เกิดในครอบครัวที่ยากจนเราก็ยังสามารถที่จะทำให้เรารวยได้ความรวยมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันถ้าเราขยันทํางานหาเงินหาทองขยันเก็บเงินเก็บทอง ขยันเอาเงินที่ได้มาไปขยายไปต่อยอดมันก็ต่อไปไม่นานก็รวยได้พวกเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีกันทุกวันนี้ไปดูประวัติเขาบางคนก็เริ่มมาด้วยเสือใบหมอนใบมาจากเมืองจีนอพยพมาหนีความทุกข์ยากลำบากพอมาอยู่เมืองไทยก็ร้านขายของ ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันเที่ยวมีแต่หาเงินมีแต่วันหาเงินอย่างเดียววันใช้เงินไม่มีปีนึงก็มีให้สองวันวันจุดจีนหดุดสักสองสามวันไปใช้เงินนอกนั้นก็หาเงินอย่างเดียวอย่างนี้มันจะไม่รวยได้ยังไงใช่ไหม ต้องาวันหาเงินมันมากกว่าวันใช้เงินถ้าเรามีวันใช้เงินมากกว่าวันหาเงินมันจะรวยได้ยังไงเนี่ยสมัยนี้หยุดเที่ยวกันบ่อยกันเนี่ยเดี๋ยวสงการแล้วเดี๋ยวปีใหม่แล้วเดี๋ยวหยุดชดเชยวันนู้นหยุดชดเชยวันนี้มีแต่วันเที่ยววันใช้เงินอย่างเงน้ะวันหาเงินก็น้อยลงนะแล้วยี่มันจะรวยได้ยังไง เราสามารถเปลี่ยนบทบาทได้ถ้าเรามาเจอคนที่รู้วิธีปรับบทบาทคนที่รู้วิธีที่เก่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราได้มาเข้ามาพบกับพระพุทธศาสนานี่เป็นเหมือนกับการมาเปลี่ยนบทบาทของเราใหม่ปรับบทบาทบุญบาปส่งมาให้เราเป็นอย่างนี้แต่เราจะปรับให้มันดีกว่านี้ได้เี่ย ถ้าเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรามาเปลี่ยนบทบาทกันถ้าเคยตนีก็ให้มาเป็นคนไม่ตนันตีให้แบ่งปันมีเงินทองอะไรพอที่จะแบ่งให้คนอื่นได้บ้างช่วยเหลือกันไปอย่าอย่างงกอย่าหวงอย่าตานีมากไปเกินไปส่วนที่มีต้องเก็บไว้ใช้ก็เก็บไว้ ส่วนที่เกินไม่จาเป็นจะต้องมีไว้ใช้ก็เอาไปทำํำดุลดีกว่าะเพราะจะทําให้เรามีความสุขและจะทําให้เราไม่หิวกับการใช้เงินถ้าเราเอาเงินไปซื้อของต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันก็จะทําให้เราติดเราอยากจะใช้เงินหิวเรื่อยๆเงินทองก็จะไม่พอใช้ แต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญมันจะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจทำให้ให้เราไม่หิวกับการที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืวแเม่เวลาเราไม่มีเงินเราก็ไม่เดือดร้อนเราอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าเราใช้เงินเพื่อเที่ยวเพื่อกินเพื่อดื่ม พอไม่มีเงินแล้วก็หงดเหงิดดําคานใจก็ต้องไปหาเงินมาถ้าหาโดยวิธีถูกศีลธรรมถูกกฎหมายไม่ได้ก็ไปหาโดยวิธีผิดศีลธรรมผิดกฎหมายไปลักขโมยไปช่อโกงแล้เดี๋ยวก็ถูกตํารวจจับไปติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปใช้กรรมต่ออีก อันนี้เป็นเพราะเราไม่รู้จักปรับบทบาทถ้าเราเป็นคนชอบใช้เงินทองแบบไม่มีเหตุมีผลใช้แบบมีเหตุมีผลเป็นยังไงก็ใช้ไว้สำหรับซื้อของจําเป็นเช่นซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าถ้าไม่พอใส่เสื้ อ, อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยของพวกนี้จําเป็นต้องมีเพื่อรักษาร่างกายแต่คัดใื้อเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย ต่างๆนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อไม่ต้องไปเอาเงินนี้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่าง ๆ, างๆ ซ, Beer, ซื้อเบียร์ซื้อเหล้าซื้ออะไรต่างๆซื้อของแบบนี้มันจะทำให้เราเป็ด น, นิสัยไม่ดีแลนวจะทำให้เราต้องลิ้นหาเงินอยู่เรื่อยๆพอเงินไม่พอใช้ก็จะต้องหาวิธีไม่ถูกกฎหมายวิธีผิดศีลผิดธรรม แล้วมันก็จะมีโทษตามมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีใช้เงินแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปทำบุญทำที่ไหนก็ได้เราชอบทำบุญแบบไหนทาได้บุญนี่มีหลายแบบทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับคนพิการก็ได้ทำกับคนแก่ก็ได้ ทำแบบนี้มันจะมีความสุขมากกว่าการไปเที่ยวบาเที่ยวผับเราจะทำให้ไม่หิวไม่อยากไปเที่ยวบาเที่ยวผับอีกต่อไปแล้วต่อไปถ้าเกิดไม่มีเงินทำบุญก็อยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านมีความสุขคิดถึงบุญเก่าก็ยังมีความสุขอยู่แต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวเวลาไม่มีเงินเที่ยวไปคิดถึง ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมาตอบทําให้อยากเที่ยวมากขึ้นไปอีกยิ่งไม่สบายใจนี่คือพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาปรับวิธีใช้เงินกันอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาไป ซ, ซื้อตามความอยากต่างๆอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอามาทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วเราจะมีความสุข ที่เราเห็นเราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเขามีความสุขการให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขนั้นมันจะกลับมาหาเรา ท, าทันทีถ้าเราให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราทันทีกานจึงสอนเนี่ยเราอย่าไปทำผิดศีลทำผิดศีลแล้วมันจะไม่สบายใจไปขโมยเงินคนอื่นนี่ก็ไม่สบายใจไปทำร้ายผู้อื่นก็ไม่สบายใจ ไปหลอกลวงผู้อืนก็จะไม่สบายใจดัน้ให้เราปรับวิธีการเล่นบทบาทของเราใหม่ถึงแม้ว่าการรมจะลิขิตมาให้เราโกหกหลอกลวงให้เราไปรักไปขโมยถ้าเรามาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนว่าอย่าทำนะมันปรับเล่นบทบาทเล่นเป็นคนดีดีกว่าอย่าเล่นเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเล่นเป็นคนไม่ดี มันก็มีโทษตามมาถ้าเล่นเป็นคนดีก็มีคุณตามมานี่คือการปรับบทบาทของเราปรับนิสัยเราถ้าเรามีนิสัยไม่ดีถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะได้รู้จักวิธีปรับบทบาทของเราให้ตัวเราเป็นคนดีให้ตัวเรามีความสุข อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่าการที่เราจะมีความสุขนี่เราต้องมีเงินเยอะๆมีตำแหน่งสูงๆเป็นใหญ่เป็นโตความจริงมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะเงินก่อนจะได้มามันก็ไม่ใช่ง่ายต้องหาเลือกวิธีต่างๆ ถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องมันก็ทำให้เราแทนที่จะมีความสุขกับมีความไม่สบายใจแล้วเงินที่ได้มาถ้ามันหมดไปก็ทำให้เราทุกข์อีกนั้นการจะหาความสุขให้กับเราที่แท้จริงพระพุทธเจา้าว่าไม่ใช่หาลาภยศสรรเสริญไม่ได้หาที่รูปเสียงกลิ่นรสเนีย แต่ให้มาหาจากการทำบุญจากการไม่ทำบาปจากการปรับใจทำใจของเราให้นิ่งให้สงบลดความโลภความอยากต่างๆลดความโกรธความหลงให้น้อยลงไปนี่คือการปรับบทบาทใหม่เป็นเป็นเป็นบทที่เราถูกกรรมวิกิจมาพวเราทุกคนถูกกรรมวิกิจให้มาหาหาลาบยรศรเสเินกัน ทุกคนเกิดมานี้ไม่ต้องมีพ่อแม่สอนว่าให้ไปหาเงินทุกคนนี้อยากจะหาเงินกันอยากจะหาตำแหน่งอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญแต่ไม่อยากให้คนดา่าไม่อยากให้ใครว่าให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกิ้อกายกันไปดูไปฟังไปกินไปดื่มกันแต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราว เวลาหมดไปมันก็ทาให้เราไม่สบายใจขึ้นมามันเหมือนยาเสพติดนะต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้เสพแล้วไม่สบายใจจึงเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขใหมาหาความสุขจากการทำบุญดีป่าหาความสุขจากการไม่ทำบาปหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ ใจสงบแล้วนี่แหละจะเจอความสุขที่แท้จริงไม่มีความสุขอันใดที่จะเหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเกิดจากการนั่งสมาธิถ้าเราสามารถทำมุนได้รักษาศีได้านั่งสมาธิทำใจใสงบได้เราไม่ต้องมีอะไรเราจะไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่โต ไม่ต้องมีคนยกย่องสรรเสริญเยืนยอไม่ต้องมีลูกเสียงกุิ่นรต่างๆมาให้เราเสกเพราเราได้ความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการทนใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานนี่คือการมาปรับบทบาทต่อไปเราก็จะปรับ บทเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอรหันตสาวกอย่าไปเป็นมหาเศรษฐีอย่าไปเป็นนายกอย่าไปเป็นอะไรเลยแป่นน้กเดียวมันก็หมดถ้าอยากจะเป็นแบบไม่หมดนี่มาเป็นพระอรหันต์กันดีกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นไปตลอดไม่มีวันหมดเป็นพระพุทธเจ้าแล้เป็นไปตลอดไม่มีวันหมดเพราะ จะไม่ต้องมาเล่นบทบาทอย่างอื่นนะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระราหานนี้ก็ลาออกจากโรงละครได้ไม่ต้องเป็นตัวละครนะเป็นเหมือนเจ้เป็นเหมือนเจ้าของโรงละครดีกว่าไม่ต้องเล่นอนะ่ะเก็บเงินอย่างเดียวเก็บเงินจากคนดูละครพระพุทธเจ้าพระราหานี้ท่านไม่ต้องมาเล่นบทบาทอย่างพวกเราเล่นกัน ถ้า น, นั่งเก็บเงินดูพวกเราเล่นแล้วก็เก็บเงินคนที่มาดูว่าพวกเราเล่นนี่คือการปรับบทบาทแก้แก้บุญแก้กรรมแก้แบบนี้กรรส่งให้เรามาเป็นคนไม่ดีเราก็แก้มันให้เป็นทําให้มันเป็นคนดีการส่งให้เรามาเป็นคนรวยเราก็มาแก้มามาเป็นคนจนดีกว่า คนจนนี้ไม่ทุกคนรวยนี้ทุกต้องต้องจนแบบพระพุทธเจ้านะคือคือไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติมากเกินไปมีพออยู่ได้ก็พออย่างพระพุทธเจ้านี่มีสมบัติอยู่แปดชิ้นนั่นนั้นเองรู้ไหมสมบัติของพระพุทธเจ้ามีอยู่แปดชิ้นคืออะไรบาตรหนึ่งใบผ้าสามผืนเข็มขัดรัดเอวหนึ่งชิ้น เป็นห้าชิ้นแล้วใบ ม, มีโกนหกชิ้นเข็นกลับได้เจ็ดชิ้นอแล้วก็ที่กรองน้ํานี่คือสมบัติของของพระพุทธเจ้าอของพระที่มาบวชมันสอนให้เราอยู่แบบคนจนเพราะมันสบายไม่ต้องดิ้นโดนหาเงินกันโดยขนาดไหนก็อยู่หาเงินไม่ได้เชื่อไหมรวยแล้วก็กลัจะจนกลจะน้อยลงไป พอได้ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะลดลงมาเป็นตำแหน่งที่สองก็ต้องเครียดอยู่กับการหาเงินเครียดอยู่กับการดูแลรักษาเงินทองพุ้นวาอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขเดียเด๋ยวเดๆความสุขจากการใช้เงินทอง ซ, อซื้อนู่นซื้อนี่พอซื้อมาแล้วก็หมดไปแล้วซื้ออะไรไมาได้ปั๊บก็เดี๋ยวก็เมื่อมันซื้ออะไรไมาบ้าง เต็มไปหมดที่บ้านใช่ไหมดูที่บ้านของที่เราซื้อมาเนี่ยเวลาเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อเพราะซื้อก็มีความสุขพอมาถึงบ้านก็เลยมันจะทิ้งมันละวางมนละของบางอย่างซื้อมายังไม่ได้ใช้ก็มีคนที่ชอบซื้อของเยอะๆนี่บางทีใช้ไม่ทันของที่ซื้อมาไปเดินห้างเห็นเสื้อผ้าสวยก็ซื้อเห็นรองเท้าสวยก็ซื้อเห็นนาฬิกาสวยก็ซื้อ เห็นอะไรสวยชอบซื้อหมดซื้อหมดถ้ามีเงินขึ้นมากลับมาบ้านบางทียังไม่มีเวลาเปิดแกะกล่องดูเลยเหนยนอนดีกว่าพอตื่นขึ้นมาก็อยากจะออกไปเดินห้างอีกพอมีเงินอใช้เงินไปเดี๋ยวมันก็ต้องหมดมันต้องพร่องก็ต้องไปหาเงินอีกความสุขแทๆ้ๆจริงไม่มี ความสุขที่แท้จริงต้องเป็นความสุขที่ทําให้เราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทําอะไรนั่นแหละคือความสุขแท้จริงเราอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบขอทานได้ไหมอยู่แบบคนจนได้ไหมอยู่แบบพระพุทธเจ้าได้ไหมอยู่แบบมีสมบัติแค่แปดชิ้นได้เปล่ า, านั่นแหละใครใครอยู่แบบนั้นได้แสดงคนนั้นแหละมีความสุขถ้าอยู่แบบมีต้องมีปร า, าสาท ถามร ด, ดูเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอย่างนั้นอยู่แบบนั้นอยู่แบบเหนื่อยก็ต้องคอยหาเงินมาดูแลรักษาเหมือ น, น, นความสุขทแท้จริงไม่ต้องทำอะไรต้องอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา เพราะถ้าเราเอาสายสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเวลาเขาไม่มีเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์แล้วของทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนบางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเราบางทีมาแล้วเดี๋ยบางทีก็ไปอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะอยู่กับเราไปตลอด อยาให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเลยร่างกายแก่ก็สุขร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สุขร่างกายตายก็สุขเนี่ยคนที่ทำใจให้สงบได้แล้วสามารถที่จะรักษาใจให้สงบไปได้เรื่อยๆไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไราะไม่ต้องใช้ร่างกายมามีส่วนทำให้ใจมีความสุข สิ่งที่จะทำให้ใจมใีความสุขก็คือธรรมะธรรมะที่นี้ก็คือสติสมาธิปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิปัญญาแล้วจะรักษาใจให้สงบจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้ก็ต้องมีศีลมีบุญก่อนถ้ายังไม่ได้ทาบุญไม่ได้ยังรักษาศีลไม่ได้ก็จะไม่มีเวลามามา รักษามาเจริญสติสมาธิปัญญาคนที่ไม่ทำบุญก็แสดงว่ายังหวงเงินยังอยากได้เงินมากๆอยู่ก็จะไปหาเงินอยู่เรื่อยๆหามาแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครหามาแล้วจะอยากจะเก็บไว้อยากจะให้มันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆก็คิดว่ามีความสุขจากการมีเงินเยอะๆพอใช้เงินแล้วรู้สึกเสียดายเงินน้อยลงไป ถ้าไม่ไม่ทําบุญไม่หยุดทาเงินก็จะไม่มารักษาศีลไม่ได้ลดการทําบาปไม่ได้ถตามไม่ลดการทําบาปจะมานั่งสมาธิก็นั่งไม่สงบนั่งไม่ได้นั่งได้เดี๋ยวเดียวก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดถึงบาปที่ทําไว้มันก็ไม่สบายใจกังวลใจอะ นี่คือการมาปรับบทบาทชีวิตของเราเพื่อให้เราพ้นาจากอิกทธิพลของกรรมและบุญและบาปถ้าเราทำแบบพระพุทธเจ้าได้นี่บุญกับบาปนี่จะไม่สามารถมามาทำให้เราเล่นบทนั้นบทนี้ได้เพราะเราจะไม่เล่นแล้วพระพุทธเจ้าไม่มาเล่นแล้วไม่มาเกิดแล้วไม่มาเกิดเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้เกิดมาเป็นคนรวยคนจน คนใหญ่และคนเล็กแล้วเพราะท่านปรับบทบาทของท่านได้ไม่เล่นตามบทที่บุญบาเปเขียนมาให้เล่นเพราะท่านเลอกทาบุญเลิกทำบาป ท, ท่านเลือกมาเกิดนะพระไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทำบุญไม่ต้องมาทำบาปเราก็สบายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ ของต่างๆที่เรามีอยู่ในส้สักวันี้ต้องเสียหมดเลยรู้ป่ะทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆตำแหน่งต่างๆใบประกาศนีบัตรยกย่องสรรเสริญเยนยอต่างๆคนต่างๆสามีภรรยาบุตรที่ดาร่างกายของเราเองไปหมดเสียหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย ตะคอนบทของเราจบเลยแล้วก็ต้องแล้วเราก็ไปเล่นบทใหม่เพราะยังอยากเล่นอยู่พอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาเล่นใหม่มาเล่นบทใหม่ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันตอนนี้ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปก็ได้เล่นบทที่ดีถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็กลับมาเล่นบทที่ไม่ดีมาเป็นโจรมาเป็นผู้ร้ายมาเป็นคนไม่ดี มาทำบาปต่อถ้าเคยทำบาปถ้าเคยทำบุญก็จะกลับมาทำบุญต่อถ้าเคยรักษาศีลก็จะกลับมารักษาศีลต่อถ้าเคยนั่งสมาธิก็จะกลับมานั่งสมาธิต่อถ้าเคยเป็นพระก็จะกลับมาบวชเป็นพระต่อเนี่ยมันจะต่อกันไปเรื่อยๆนี่แหละคือความสุข อยู่ที่การมาปรับบทบาทให้เป็นไปแบบให้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านไม่สงวนด้กสทธิ์การเป็นพระพุทธเจ้านะไม่ได้สงวนด้วยกสิทธิ์การเป็นพระอรหันต์ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ท่านบอกสูตรบอกวิธีนะว่าทําอย่างนี้ถ้าอยากจะเป็นพระอรหันต์ให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่สงวนล้วกสิทธิ์ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ด้วยใครจะเอาไปใช้ก็ไม่เก็บเงินเก็บทอง ไม่เหมือนอย่างอื่นใช่ไหมอยากจะไปเปิดร้านเซเว่นก็ต้องเสียเงิ น, นใช่ไหมเสียลิขสิทธิ์เสียค่าลิขสิทธิ์อยากจะไปผลิตโคกอย่างนี้ก็ต้องไปขออนุ ญ, ญาตของเสียค่าลิขสิทธิ์นีแต่พระเจ้าไม่ไม่สมวนลิขสิทธิ์ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ะก็อยากจะเป็นผ้าอาหารเอาไปเลยเป็นไดน้ใคอยากจะลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเอาไปเลยใครอยากจะรุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเอาไปเลย การอยากจะมีความสุขตลอดเวลาเอาไปเลยไม่คิดเงินบาทเดียวก็ไม่คิดท่านถือว่าเป็นการให้ทานธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะจะทําให้คนที่ได้รับธรรมะเนี่ยได้รับการได้รับความสุขที่ถาวรได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง พวกเราถือว่าโชคดีชาตินี้ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอวิธีปรับบทบาทของเราเปลี่ยนบทบาทของเราให้ดีขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในวันนี้ให้เราเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอรหันตสาวกกันคนที่เชื่อแล้วนํำมาไปปฏิบัติก็กลายเป็นพระอรหันตสาวกกันขึ้นมาเป็นจํานวนมากเอาก็เป็นเหมือนเราก่อนที่เขาจะมา ก่อนที่เขาจะมาพบพระพุทธศาสนาเขาก็เหมือนเราเขาก็หาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนเราแต่พอมาได้ยินได้ฟังทำได้อ่านหนังสือธรรมะรู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขแต่เป็นวิธีหาความทุกข์กันคนที่หาลาบยศสารเสริญนี่ต้องน้องหม่มน้องห้างกันใช่ไหมเวลาที่มันไม่มีใช่ไหมเวลาที่มันหมดไปใช่ไหม เวลามีก็ไม่ร้อนอ่ะหัวเราอได้แต่เวลามันหมดเนี่ยหัวรอนไม่ออกนะยนั้นสู้อย่ามีดีกว่าถ้าไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนเวลามันมีแล้วไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราทำบุญได้เรารักษาศีลได้ เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เรามีปัญญารักษาความสงบได้เราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมีเพียงสมบัติแดชิ้นก็พอมีบาดหนึ่งใบมีผ้าสามผืนมีเข็มขัดลัดเอวหนึ่งเส้นมีใบมีโกนไม่โกนผมโกนหัวมีเข็มกระได้ไว้ซ่อม ทีวอนเวลามันขาดแล้วก็มีที่กรองน้ําสมัยก่อนจะต้องตักน้ําจากลาําธารําห้วยบางทีมันก็มีตัวสัตว์อยู่ในน้ําถ้าใช้ขันตัดมันก็มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาเขาก็เลยทําที่กรองกดเข้าไปในน้ําแล้วน้ํามันจะเข้าไปผ่านผ้ากรองแต่ตัวสัตว์เข้าไปไม่ได้แล้วก็มีรูปิดทําให้น้ําไม่ไหลออกมามันเป็นเกลยว มันเป็นมีรูมันเป็นงท่อกลมๆกระบอกกลมๆ ม, ม, มีผ้าอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนจะมีรูไว้สําหรับถ้าเรากดรูไว้น้ําเวลาเข้าไปน้ำน้ํามันจะไหลไม่ออกเวลา้องจะเอาน้ำเข้าแล้วก็อย่าไปปิดดูน้ํำก็เข้าผ่านผ้าไปตัวสัตว์ก็ไม่เข้าไปพอน้ําเต็มเราก็ปิดดูยกนะยกกระบอกขึ้นมาจากน้ําน้ํามันก็ยังอยู่ในกระบอกอยู่พอเราจะไปใส่กระติกใส่ ใส่ตุ่หรือใส่ขันแล้วก็เปิดดูมันก็ไหลออกน้าก็จะเป็นน้ำไม่มีตัวสัตว์นีเรียกที่กรองน้ำมีแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วขอให้มีความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วจะอยู่แบบเรียบง่ายได้ถ้าไม่มีความสงบแล้วต้องอยู่แบบวุ่นวายต้องมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดแล้วเป็นอย่างไง แล้พอมีก็ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งที่เรามีเดี๋ยวไอ้นั่นก็เสียเดี๋ยวไอ้นี่ก็เสียเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวน้ำแม่ไหลมีเรื่องให้วุ่นวายตลอดเลยละ่ะนี่คือความสุขที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรามีกัน มีแต่เรื่องวุ่นวายาต่างๆตามมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวให้นั่นกเสียเดี๋ยวให้นี่เสี ย, ยเดี๋ยวทีวีเสียเดี๋ยวความเสียเดี๋ยวโทรศัพท์เสียเดี๋ยวรถเสียเสียก็ต้องซ่อมกันต้องรอให้มันซ่อมเสร็จก่อนถึงจะใช้ได้เวลาไม่มีใช้ก็หงุดหยิดํดำคาญใจอ่ะ ถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนดูพระอาหารหันตสาวกเป็นตัวอย่างพระอาหารหันตสาวกก็เป็นพวกเหมือนพวกเรานี่แหละพอเห็นพระพุทธเจ้าได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัตินะกรณ์มีรูกมีภรรยามีสา ม, มีมีสมบัติก็ยกให้คนอื่นไปขอไปมีแค่สมบัติแปดชิ้นก็พอ จะได้มีเวลามาทำใจให้สงบได้ถ้าต้องอยู่กับงานการมันทำมาใจให้สงบไม่ได้ถ้าต้องอยู่กับครอบครัวเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องมาให้เราทำนูน่นคนนี้ก็ต้องให้เราทำนี่เดี๋ยวลูกไม่สบายเดี๋ยวลูกต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวต้องไปงานนั้นงานนี้ไปหาคนนั้นหาคนนี้จะ เ, เวลามานั่งสมาธิกันที่ไห น, น จะเอาเวลามาหาความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร <ừ. S 1> คนที่ต้องการหาความสุขที่แท้ทจริงอะไรต้องทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่แล้วเอาแค่สมบัติแปดชิ้นแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่รู้จักวิธี อ, อยู่แบบสงบอยู่ยังไงเพร <ừ. S 1> าะเรายังอาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ท่านคอยสอนคอยเตือนคอยสั่ง แล้วต่อไปเราก็สงบสงบแล้วก็สบายไม่หิวไม่โหยกับอะไรเวลาไม่สงบเนี่ยมันทรมานเพราะมันยังหิวโหยอยู่ยังอยากได้อย่างนู่นอย่างถึงแม้ว่าจะทิ้งสมบัติมาแล้วแต่ยังอดคิดถึงมันไม่ได้ยังอยากจะกลับไปหามันอยู่คนที่มาบวชแล้วบางทีต้องกลับไปก็เพราะว่ายังอดคิดถึงมันไม่ได้ยังอยากหามันอยู่ ส่ได้ไม่นานทนไม่ไหวแล้วอยู่แบบไม่มีอะไรนี่ใจไม่สงบนล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็อยากจะกลับไปหาราบยศรเสริญกลับไปหาแฟนครับกลับไปหาสามีกลับไปหาภรรยากันจึงต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะได้ช่วยดึงไว้ถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับสู้กิเลสไม่ได้สู้ความอยากต่างๆไม่ได้ นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งศาสนาพุทธนี้นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งพอนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสลุสักครั้งหนึ่งพอตรัสรุแล้วก็จะได้สอนพวกเราได้ถ้าไม่มีคนสอนพวกเราก็จะไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้กันก็จะหาความสุขแบบที่เรากาลังหากันอยู่นี่แล้วก็มา ทุ ก, กันเดือดร้อนวุ่นวายกันเนี่ยมาวิตกมากังวลกันนะก็ตอนนี้โอกาสดีโชคดีมีคนคอยสอนคอยบอกพยายามศึกษาแล้วพยายามปฏิบัติให้ได้แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ท, ที่เรากำลังประสบกันอยู่ในขณะนี้ ต่อให้รวยขนาดไหนก็หนีไม่พ้นความวุ่นวายใจต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็หนีไม่พ้นความวุ่นวายใจต่อให้มีอะไรมากมายเพียงไรก็ต่างมีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีอะไรมากมายก่ายกองก็ยังหนีไม่พ้นความวุ่นวายใจถ้าอยากจะไม่วุ่นวายใจต้องไม่มีอะไรเลยเพราะตัวที่ทําให้วุ่นวายใจก็ของต่างๆที่เรามีอยู่นี่แหละ พอมีแล้วเราก็ยึดติดใช่หมหวงห่วงไม่อยากให้มันจากเราไปไม่อยากให้มันเสียอยากให้มันดีพอมันเสียเราก็ไม่สบายใจพอมันจากเราไปเราก็ไม่สบายใจเวลามันอยู่เราก็ไม่สบายใจกลัวมันจะหายงั้นอย่าไปมีมันดีกว่าพอไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะต้องมากมังวลแล้วมีความสงบเป็อย่างเดียวพอ มาลองทำตามที่พระเจ้าสอนดูตอนนี้กรล่มต้นที่ชั้นชั้นปอนหนึ่งก่อนชั้นอนุบาลก่อนมาทำบุญกันก่อนนะทุกครั้งยาวเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่องเฟือยก็เอาไปทาบุญดูซิว่าทาได้นะพอทาได้แล้วต่อไปจะรักษาสินได้เนะพราะเราจะไม่ต้องเดือดร้อนหาเงินมากนั่นเองคนที่รักษาสินไม่ได้เพราะอยากจะหาเงินมากๆเร็วๆง่ายๆ เลยต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้างถึงจะได้แต่ถ้าเราไม่ต้องหาเงินแบบนั้นเพราะเราไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้เงินแบบนั้นเราก็หาแบบสบายสบายหาแบบไม่โกหกหาแบบไม่โกงขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ร้อนเงินถึงขนาดที่จะต้องขายทุกวันเราก็จะรักษาสีลได้นรักษาศีลได้เราก็จะมีเวลา ไปนั่งสมาธิกันได้เพราะเราจะไม่มีเอาเงินไปเที่ยวไม่เอาเวลาไปเที่ยวแล้วเอาเวลาไปวัดดีกว่าเอาเวลาไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมทำนี้เดี๋ยวก็ได้ไม่ยากหรอกขอยทาําตามขั้นตอนนะขั้นแรกเราใช้เงินไปในทางที่ผิดอย่าไปใช้เงินตามความอยากต่างๆอย่าเอาเงินไปซื้อความสุขน ทางตาหูจมูกร่างกายเอาเงินมาทำบุญดีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินเอาเงินที่ทำบุญแล้วจะมีความสุขมากกว่าเอาเงินไปเที่ยวนะก็รักษาศีลกันอย่าทำบาป ก, กันรักษาศีลห้าได้ก็ลองรักษาศีลแปดดูรักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้เพราะเราจะไม่ไปทำอะไรต่างๆ นั่งสมาธิได้ก็จะได้ความสุขได้ความสงบแล้วพอได้ความสงบก็ใช้ปัญญารักษาสอนใจว่าอย่าไปหลงไปอยากกับอะไรเพราะเวลาไปอยากทำให้ใจไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบต้องไม่อยากกับอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะการมีแล้วจะมีทุกข์นั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเสียไปก็ทุกข์เวลามีก็ทุกข์กลัวมันจะเสีย นี่คือปัญญาที่จะสอนใจให้เราไม่กลับไปหาอะไรไม่ไปไม่อยากได้อะไรอยากได้อย่างเดียวคือความสงบนะลองไปปฏิบัติ ด, ดูนะแล้วจะมีความสุขมีความสบายจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมันจะให้พอนะนะ ยะถาวะวะฮาปุระปะวิปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะหะวาโสยะถามณิโชติ อราโสยะทัสพีติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะาภิวาตนาสีฤทษะนิจังุทธาปจายโนยตาโรธรรมาวทานติอายุวันุสุขาง พาล่าใครอยากได้นังสือซีดีก็เอาไปง่านะอันนี้เข้ามาเท่าไหร่ละสี่ร้อยสิบเอ็ดเหลือสามร้อสิบสามเข้ามาต้องสี่ร้อยกว่าแล้วนะ 2หนึ่งแสนอืมกถึงแสนก็เสร็จแสนแล้วแนละอ่าเป็นลูกศิษยะอยู่ตัวนะักบอนละ3ามแสนไม่รลูกเขาเข้าแบบไหนเข้ามาปุ๊บก็ออกไปปั๊บเลยใช่ไหมก็ไม่ได้รับชมเลยนะยอดรับชมมัน 6, ประมาณ 6,000 กว่ามั้งอ่าว่ายังไง ต้องการต้องสือซีดีก็หยิบไปได้นะอ่ามาจากธรรมานิสวรนระณมาพักอยู่ที่นั่นนะอ่าจะไปพักอยู่ที่นั่นน ะ, ะมาเยี่ยม พี่น้องกันนะครับผมเปพี่น้องผมพี่น้องครับอันนีพี่เขยอันนี้พ่อครับอผมมาจากภูเก็ตนะครับอจริงๆอยู่นนท์ด้วยกันแต่ว่าไปอยู่ที่ภูเก็ตขับไปทํางานอยู่ที่ภูเก็ตเราไปอยู่ภูเก็ตเราไม่ครอบครัวอยู่ภูเก็ตเหะอตอนนี้มาเยี่ยมบ้านเนี่ยไปมาทุระขึ้นขึ้นมาเรียนขึ้นมาเรียนต่อครับอ่ามาเรียนต่อครับได้ครอบครัวอยู่ที่ภูเก็ตนะ แต่ก็กลับทุกอาทิตย์นะครับอะอะก็มาฮะโหลน้องก็มาอีกพวกยังไม่ได้มาร่วมกันใช่ไหม ถมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหม <c oughs> ดูชีวิตแล้วว่าเป็น <c oughs> เป็นละครนะ <c oughs> เดี๋ยวก็จบนะอย่าไปวุ้นวายกับมันมากเล่นไปสบายสบายดีกว่ารวยแค่ไหนเดี๋ยวกว็ตายนะ ไม่ต้องไปดินมากนะดิ่นแบบสบายทำแบบสบายสบายรวยได้ก็ดีไม่รวยก็ไม่เป็นไรวันนี้หาเงินได้ก็ทำบุญกระทำทาุครับเป็นไรครับอ่าดีอ่าก็จะได้ได้บทบาทที่ดีในในในในละครเรื่องต่อไปได้แสดงบทที่ดีกว่านี้ด้เป็นเศรษฐีผมสงสยัยอยูนะ มาจากกรุงเทพเลอแล้วมีคนอยู่ที่สวนน่ะมาปฏิบัติธรรมที่ทั้งนี้ค่ใคปปฏิบัติแล้วแล้วก็มีมากราบอาจารย์ค่ะทางพันมรพาอาจารย์ทางยูทูบค่ะเดี๋ยวมีหนังสือซีดีแจกนะเจญหยิบได้ให้เขาหยิบเองนะเขาหยิบเอง ผมสงสัยอันนึงเข้าใจไม่สงสัยถามมาคั้คือรถกิ่นเสียงนี่มันเป็นนามก็เป็นรูปครับรถก็เป็นรถแต่รูปก็เป็นรูปมันไม่รูปก็เป็นรูปรถก็เป็นรถมันมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นรถจะไปให้มันเป็นอะไรเสียงก็เป็นเสียง รูปเสียงเกล็ลดรถเนี่ยที่มาทางตาหูจมูกมือกายเนี่ยก็แค่นั้นนะเป็นรูปหรือเปล่าหรือเป็นนามครับก็มันเป็นเสียงยจะไปเป็นรูปได้ไงรูปมันก็เป็นรูปเสียงก็เป็นเสียงเกล็ดก็เป็นเกล็ลดรถก็เป็นรถเข้าใจไหมไอ้ที่รูปปังนะรูปรูปกับนามนี่หมายถึงร่างกายกับนามขันกับรูปประขันเข้าใจร่างกายเนี่ยเป็นรูปประขันเธอเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามนามขัน แต่รูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่ได้เป็นรูปประคันหรือนามขันมันเขาเรียกอายตนะใชรูปเสียงกลิ่นรสผลิภตภัณฑ์นี่เราเรียกว่าอายตนะภายนอกส่วนตาหูจมูกลิ้นกายนี่เราเรียกว่าอายตนะภายในที่เวลามามาสัมผัสกันก็แสดงว่าผมเข้าใจถูกครับตามแบบพอาจารย์อธิบายครับเ อ, อผมเข้าใจอย่างนั้นครับเอออมมก็ย <พอ S 1> <ม>่างผผมเข้าใจ สงสัยก็เลยถามตามตำราท่านวาอย่างนั้นแะแต่คนมันว่าดนู่นวาเสียงเป็นเสียงเป็นรูปการรับรูปเป็นนามมันก็มันก็ทำให้สับสนไปอาจารย์นะเพราะผมสงสัยไงผมได้ยินน่ผมสงสัยแต่ผมเข้าใจแบบพระอาจารย์ถึงเทมาเป็นรูกเสียงกิลดนี่เขาเรียกอายันะเขามีชื่อของเขาไม่ใช่รูปนะครับ รูปก็คือร่างกายนี่รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาคือร่างกายหรือรูปที่เราเห็นด้วยตานี้ก็เป็นรูปเหมือนกันเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรด้วยตานี้เราเรียกว่ารูปหมดใช่ไหมรูปสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นนี่ก็เป็นรูปเหมือนกันมีรูปสองอย่างรูปแบบร่างกายนรูปประคันแล้วรูปในอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยตาเราเห็นอะไร ตาเห็นรูปใช่ตาไปเห็นเสียงได้ไหมไม่ได้ตาไปเห็นกลิ่นได้ไหมไม่ได้ตาต้องเห็นรูปอย่างเดียวหูไปไปเห็นรูปได้ไหมหูก็ไปเห็นรูปไม่ได้ใช่ไหมหูก็ได้ยินเสียงอย่างเดียวหูไปดมกลิ่นได้ไหมเอาหูไปดมกลิ่นได้ไหมไม่ได้หรอกอยากจะดมกลิ่นนอาจะหมวกไปดมเนีมันเป็นของคู่กัะะน้ง อยายตนะภายนอกกับอายตนะภายในมันเป็นของคู่กันรูปคู่กับตาเสียงคู่กับหูลิ้นคู่กับลิ่นคู่กับจมูกแล้วก็สัมผัสต่างๆผ่านทางร่างกายนี้คู่กับคู่กับร่างกายเวลาความหนาวมาสัมผัสกับร่างกายเราก็รู้ว่ามันหนาวเวลาความร้อนมาสัมผัสกับร่างกายเราก็รู้ว่ามันร้อน ผู้รู้นี้ไม่ใช่ยตนะผู้รู้คือจิตมันมีหลายตัวนะที่เล่นกันเนี่ยพอจะเข้าใจไหมเข้าใจครับอพอเราลืมตาปับ๊บเราก็จะเห็นรูปเข้าใจไหสิ่งที่เราเห็นนี่เราเรียกว่ารูปสิ่งที่เห็นทางตานีเรียกว่ารูปพอเสียงมากระทบกับหูเราก็เรียกว่าเสียงแล้วก็วิญญาณมารับต่อไป มารับส่งไปที่ใจให้ใจรับรู้ว่ามีรูปป่ะนะมีเสียงนะใจก็อยากจะรู้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเสียงอะไรก็คนดูความจําว่าเคยเคยเค ย, เคยเห็นรูปนี้มาก่อนหรือเปล่าเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าสัญญาความจําพอพอบอกเออเคยเห็นรูปคนนี้เนี่ยคนนี้ชื่อในกอในขอจําได้สัญญาทํางานพอสัญญารู้ว่าเป็นใครก็เกิดเวทนาขึ้นมา ถ้าเป็นคนที่ใจบุญใจคนดีมาที่ไรเอาเงินมาให้ใช้ทุกทีก็จะมีความสุขพอรู้ว่าคนนี้มาก็จะดีใจใช่หไหมถ้าเป็นคนที่จะมาคอยทุบตีเรานี้พอรู้ว่ามาเนี้ยก็จะทุกเวทนาขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่อยากจะเจอคนนี้ก็เลยทําให้เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเป็นคนดีเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนา น, าน ถ้าเป็นคนไม่ดีใครมาทุบตีเราก็เราก็อยากไม่อยากจะเจอเขาอยากให้เขาหายไปก็เกิดความคิดปุ่งแต่งพอคิดก็เกิดความอยากอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากให้เขาอยู่เขาไม่อยู่ก็ทุกอยากให้เขาไปเขาไม่ไปก็ทุกนี่คือการทํางานของในอายตนะภายนอกอายตนะภายในกับนามขันกับใจกับ ตันหาความอยากมันมันเป็นกระบวนการอย่างนี้ที่เราต้องการจะมาแก้ปัญหาตรงที่ตัวทุกตรงที่เราพอเจอของที่เรารักก็อยากจะให้อยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอยากไม่ได้ของไม่แน่นอนเขามาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวลูกชายมาอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปกลับไปภูเก็ตอย่างนี้เราก็ต้องสอนใจว่าอยากไปอยากให้ก็อยู่ถึงเวลาก็จะไปก็ให้เขาไป อนี้เวลาเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์หรือเวลาคนไม่ดีมาอยู่กับเราเราก็อยากให้เขาไปเขาไม่ไปก็ก็อยากไปอยากให้เขาไปก็ปล่อยเขาอยู่ไปเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ไปเองเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ยมาแก้ที่ตัวความอยากอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออย่าไปอยากให้เขาไป เขามาก็ปล่อยเขามาเขาไปก็ปล่อยเขาไปไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆพาใจเองพี่สาวอยากถามไม่กล้าถามครับถามมันจะถามอะไรถามเลยมีเรื่องอะไรที่ไหนไมถามดิ้งก็สัยจก็ถาม ไม่ใช่อะไรของตังค์<อ>ไม่รู้รอะไรพูด <c oughs> ของเท้ตามไม่ไม่เวลาไม่เก็บตังค์หรอกค่อเขาชอบเป็นทุกข์เรื่องกลัวลูกจะตายกลัวลูกโดนไม่ดีนั่นแหละก็อยากให้ลูกดีไงชอบก็เลยทุกทุกวันนี้จะห้ามเดี๋ยวจะให้ห้ามออกไปไหนแล้วไม่ใช่ออกไปไหนแล้ว <c oughs> เคยไปด้วกันเพราะว่าจะดวงไม่ดีกลัวจะลูกจะไปตายไปอุบัติเหตุก็ผู้สุดว่าก็เป็นทุกข์มากค่ะหกือก็อย่างที่อธิบายตายเห็นลูปอยากให้เทศให้ผูพ่อมาเลยคือคือไม่เข้าใจปัญหานี่คืออันนี้มันพ่อไม่ทุกข์หรอกแต่พ่อเป็นห่วงเฉยๆถูกต้องเพราะว่าอายุเยอะแล้วคือให้ไม่ให้ประมาทคือ ใช่ไม่ให้ประมาณยอมรู้ว่าต้องตายจากการแต่ไม่ควรจากกันโดไม่ไม่เวลาไม่ควรผมหมายถึงว่าการที่เราไปบ่อยไปบ่อยไปถี่ไปถี่มันเกินไปบางครั้งเราควรจะระงับควรจะงดควรจะมันเสี่ยงเกินไปมากเกินไปบ้างนั่นให้เป็นบ้างบางอย่างไม่อยากให้อย่างนั้นถ้ารู้จักไปมันเป็ีการผิดพลาดสักอย่างสักวันความหมายผม ห่วงกลัวอย่างนั้นค่ะเขายังไม่เข้าใจไปไหนจะไปทำปูนพ่อก็ไม่ได้ไปด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวไปอุบัติเหตุนะะไปบ่อยไปบ่อยมากครับเดี๋ยวก็ไปนู่นจังไม่ใช่เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปไปแล้วไปอีกไปอยู่นั่นแหละให้มดบ้างเป็นบางครั้งเราคนงด บางจะไปไว่โอกาสน่าจะไปค่อยไปใหม่อย่าไปทีทีหวงด้วยความวงเจตนาอย่างนี้คือว่าไปอย่างงี <h <h <h <h ้อยๆเมื่อดีนประมาทประมาทตัวกันไปแล้ววันนั้นก็อย่าบอกเข้าเสียเวลาไป เขากลัวหนูว่าหนูโรจะดวงไม่ดีอ่ะเพราะว่าเป็นประเทศเขาบอกว่าอายุสามสิบห้าแล้วจะดวงไม่ดีค่ะกลัวว่าจะไปไหนอะไรทีไปว่าเออให้เทาเทาโรไม่จะไปก็อยคนปีหน้าปีอะไรปีต่อไปจะไปขึ้นไปพวกไปบ่อยเกินไปเลยจะชวนไปกันไปทำบุญจะไปด้วยกันตลอดค่ะเขาก็บอกว่าวันหลังจะไม่ไปด้วยเพราะว่าหนูสองคนดวงไม่ดีพอดีเขาไม่ให้ไปบ่อยพราะไปต่างประเทศก็ไม่ด้ไป ควรแบบว่ามันไปไม่ใช่ไม่เคยไปถี่มากครับไปบ่อยครับคือควรจะเข่าบ้างหือ ค, ควรจะจะหยู่ก็หยุดหยุดเป็นครั้งเดือนคราวจะไปก็ค่อยโอกาสนะค่อยไปใหมใ่อีกทีตอนนี้ก็ควรอยากจะให้พักก็อยากจะให้พัววกนี่ยให้เดินทางบ่อยครับเจตนานไม่ก <c oughs> ็ดีแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่ามันานานจิตตังนะแต่ละคนก็มีความ ค, คิดไม่เหมือนกันเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไร เราก็คิดว่าเป็นอะไรมันก็เลยอ่ก็ด้วยความห่วงด้วยความให้กล่าวมาดึงห่วงจนที่คันรั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลัน้นมันก็ไม่ดีนะ่เก่งกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ดีนครับก็ไม่แน่นะบางทีลูกเก่งกว่าพ่อแม่ก็งี้แต่แต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับอ แต่ก็ในที่สุดก็ตัวใครตัวมันใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลไปก็แล้วกันคิดอย่างนี้เชีวิตของเขาเนีเรามีหน้าที่เลี้ยงเขาให้โตก็พอละเขาจะไปทําอะไรต่อก็เรื่องของเขาอ่ะเราก็สอนเขาแล้วบอกเขาแล้ะเขาจะรั้นหรือไม่รั้นก็เรื่องของเขาละเด็กมันพูดยากมันยังยังไงมันก็ยังเป็นลูกพ่อแม่ไม่ได่เป็น พี่น้องเป็นญาติกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะญาติส่วนญาตินะออไม่เป็นเลือดนะเป็นเป็นเป็นหมู่มันลําบากก็พูดกันใครมีห่วงอะไรเงี้ยก็มีห่วงดูสิห่วงลัดคอยดูใช่ไครับมันจะออกยากนะไอ้เรื่องอย่างนี้อะมันไม่มีปัญญาไงถ้ามีปัญญาก็รู้ว่ามันกค่เป็นตัวละครนเอ ใช่ไบงปีก็ต้องฟังพ่อแม่ร่างอย่าล้านหนูเลยทั้งสองคนทั้งสองก็อบคัวเลยไม่มีลูกค่ะก็หนูว่ามีลูกทุกข์มากเป็นทุกข์มากไม่มีลูกค่ะเพราะพ่อแม่ก็อยากให้มีลูกกันไม่มีค่ะไม่าไม่มีลูกก็เป็นทุกข์ครับใช่ครับเนี่ยแต่เขาก็เขาก็เห็นแล้วว่าพ่อแม่เป็นทุกข์ลูกแล้วหนูเขาชนไม่อยากมีดีนะถูกต้องชื่อลาหุนแปลว่าบ่วงนะลูกนี้เป็นบ่วง มีแล้วก็ต้องกังวลต้องห่วงเขาใช่ค่ะใช่ค่าไม่ได้หรอกก็ต้องเข้าใจพ่อแม่แม่ก็ตั้งพี่น้องอยาไปเฉยๆเมื่อวานเขาเตือนยังเราฝากไว้แม่ก็ตั้งพี่น้องแท้ๆพี่น้องสยือดอยู่กันไห่วงเขาลูกนะครัเด็กเกตัดลาเลย นี่เราเราก็พูดทำเนี่ยก็ถูกต้องน่ะถูกถกตามหลักของพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดาเราก็ต้องเข้าใจพ่อแม่ก็อย่าไปอย่าไปทําให้พ่อแม่เขาเสียใจได้ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจจริงบาปะนะนี่นะคะพูดอย่างนี้ตลอดหนูเลยไม่กล้าเลยคะ่ะบางทีมีเหตุจําเป็นนะอืม เอาหน่ะเดี๋ยวถึงเวลาก็ตอนนี้ยังยังอยู่ด้วยกันอยู่ก <quan S 3> ็ปอนีบานอมกันนะผมเรื่องเรื่องปฏิบัติอะไรอย่างนี้พ่อจะเข้าใจเข้าๆอยู่ครับแต่ว่าปัญหาผมคืออผมไม่มีวินัยในการปฏิบัติ ก็ต้องมันก็จะนจะทํำยังไงดีต้องบังคับตัวเองถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองเราก็ไม่มีใครมาบังคับเราได้ครับเพราะว่าพอพองานมันเยอะมันก็อมันพูดจริงมันไม่มีแรงทําำครับอกลับ ม, มาบ้านก็หมดแรงนะครับก็วิธีหนึ่งก็คือให้คิดถึงความตายบ่อยๆเราก็เราก็จะถามเราจะทําไปทําอะไรอายไปเราก็อะไรไปไม่ได้เลย เราคิดบ้างเลยคิดถึงความตายบ้างครับแล้วคราวนี้แต่ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าคือผมเนี่ยอยากจะเจริญเมตตาเนี่ยครับอาจารย์ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเอ่ออยู่ดีๆ <c oughs> เวลาเราไปเห็นอะไรไงครับเราชอบคิดไม่ดี ผมว่ามันมันทําให้จิตใจผมไม่ดีอืก็มันมันทําให้จิตใจเราไม่คุ่นบัวก็ฝึกควบคุมความคิดเลยใช่พุทโธพุทโธครับเวลาคิดอะไรไม่ดีก็พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความคิดไม่ดีก็จะหยุดไปครับอาจจรินสติหัดท่องพุทโธพุทโธเวลาเราคิดอะไรไม่ดีปั๊บเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความคิดไม่ดีก็หายไป พุทโธนี่เป็นเหมือนเบรคเบรคความคิดนะครับถ้าความคิดที่ดีเราก็ไม่ต้องเบรคมันปล่อยมันออกมาถ้าอยากจะทําบุญอยากจะช่วยคนนั่นช่วยคนนี้ก็ปล่อยมันคิดไปแต่ถ้าจะคิดว่าไปว่าเขาว่าเขาเปลี่ยนมน้นอย่างนี้ก็อย่าหยุดคิดดีกว่าอืพุทโธดีกว่าออดท่องพุทโธแล้วต่อไปเราจะมีวินัยด้วยถ้าเราเปพุทโธนี่ถึงเวลาที่มันจะไม่ทํางานเราก็หยุดคิด ค่าไม่อยากจะทำงานพอหยุดคิดปั๊บเดี๋ยวมันก็ทำงานได้ต่อที่เราจะมีวินัยพุทโธหรือเปล่าท่าก็ต้องลรงต้องตั้งเป้าไว้ว่าตอนปนี้ตื่นขึ้นมาลืมตาพบจะต้องพุทโธก่อนก่อนที่จะคิดอะไรจะทำอะไรนี้พุทโธก่อนพุทโธแล้วก็เวลาทำก็ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธพุทโธไปกับงานที่ทำ เป็นกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันนี่ก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปเราจะมีพุโทโธเป็นเครื่องหยุดความคิดได้พอเราเผลอไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธไปเราไปห้ามมันไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่เราสา ม, มารถที่จะเปลี่ยนมันได้หยุดมันได้ด้วยด้วยสติด้วยพุโทโธนี่ยเราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมา พุโทโธนี่คือการสร้างสติต่อไปเรามีสติแล้วเราไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้พอรู้ว่าคิดไม่ดีปั๊บก็อ่ะหยุดนะไม่คิดนะมันก็หยุดแต่ตอนนี้บอกให้มันหยุดไปไม่หยุดก็แสดงว่าเราไม่มีสติเราก็ต้องใช้พุโทโธเข้ามาสร้างสติขึ้นมาให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไปคิดเรื่องไม่ดีไม่ได้ ใช่ครับที่ที่มาเช้าเ ท, ท่ที่สักโค้ท่านอาจารย์เทศเรื่องอกรรมวิถิตเนี่ยครับถ้ า, าเรามาพบผู้สอนศาสนาแล้วพบผู้ศาสถาพบผู้เจ้าเนี่ยแล้วเรามาปฏิบัติเนี่ยกรรมกรรมตรงนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับผมกรรมเก่าที่เราทําไว้แล้วไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่ามันจะตามเราไม่ทันว่าเราจะไม่กลับมาเกิดเนี่ยเรื่องมันมาตามทันมันก็ไม่มากระทบกับใจเราเช่นเราเคยไปทําผิดมาแล้ว เขามาจับเราไปลงโทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่ถ้าใจเราไม่มีไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์แล้วอยู่ในคุกก็ไม่เดือดร้อนดังนั้นมันจะทาให้กรรมรื่นบุญต่างๆนี้ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจเราอีกต่อไปแล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่มีไม่มีทางที่จะไปกระทบกับใจเราได้อีกต่อไป เพราะเราไม่มีเราไม่ได้มาเกิดเองทียังมากระทบกระเจาเราได้ต้องมาอาศัยมีร่างกายเป็นตัวรับเข้ามาเพราะไม่มีร่างกายก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาส่งเข้ามากระทบกับใจเราได้ดังน <c oughs> ังก็หมดกันบุญบาปที่ทําไว้ก็ถือว่าโมฆะไปเพราะว่าไม่มีผู้มารับผลบุญผลบาปอีกแล้ว จิตผู้จะรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ไม่ออกมารับแล้วจิตอยู่ในนิพพานสบายสงบสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเราพยายามทำไปนะถ้าอยากจะทำบุญไม่ต้องไปก็ได้ส่งเงินไปททนก็ได้ต่อไปก็จะได้สบายใจเราก็จะได้ทำได้เราก็ยังได้ทำบุญอยู่เหมือนเดิม ที่ไหนเขามีบัญชีให้เราโอนเงินเข้าธนาคารไปแล้วก็โอนไปก็ได้อย่างนี้ทำบุญได้สองต่อทำบุญกับพ่อด้วยทำบุญกับวัดด้วยพ่อก็มีความสุขที่เราอยู่บ้านไม่ไปไหนเงาไหนเราก็ได้ทำบุญเหมือนเดิมกลัที่จะไปทำบุญนี้อยากจะไปเที่ยวด้วยเปล่า <laughs> <laughs> <laughs> จะไปนู่นหละไปที่ที่พระเจ้าประสูนย์ต้นน<อ>ิพานเหรอครับ ก็ดีถ้าไปได้ก็ดีัก็ไม่พ่อเขาไม่ให้ไปไม่ให้ไปแต่ว่าให้เขาบอกให้ไปไปด้วยปีลึกปีหน้าเขาไปหรือปีก่อนปีาไปจอไปแล้วด้วยจ่ายตังค์ไปแล้วเอยคือคือผมเตือนมาเตือนมาตรงนี้จะเตือนยังไงแล้วเขาเขาลั่นไง ก็ไปเข้าไปน่ะไปายเข้าไปเขาก็ไม่ได้ไปทําบาปเลยเขาก็ไปทําบุญถ้าถึงข่าวที่เขาจะต้องตายอยู่บ้านก็ตายนะให้คิดอย่างนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ครับกรรมที่มาตัดรอแรงๆอย่างเนี้ยถ้าเราได้ทําบุญทําทานมาตลอดเนี่ยมันช่วยไหมครับเก็มันช่วยให้ใจเราไม่สะเทือนเหมือนกับเวลาเราจะตกลงมาจากตึกสูงๆเนี่ยถ้าเรามีเบาะหนารองอยู่มันก็ไม่เจ็บนบถ้าเราไม่มีเบาะเลยมันก็แทกพื้นมันก็เจ็บ ถ้าเราทําบุญก็เหมือนกับเอาเบาะมาลองไนะพอกรรมเกิดขึ้นกับเราเราก็จะไม่เดือดร้อนใจยังอาจจะสูญเสียเงินทองไปสูญเสียอะไรไปแต่ใจเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่เคยทําบุญเลยเราจะหวงทรัพย์สมบัติมากพอเสียอะไรไป น, นิดไปนหน่อยโอ้เป็นเดือดเป็นแค้นจินไม่ได้นอนไม่หลับนี่นี่คือหน้าที่ของบุญที่จะมาช่วยเราให้เรารับกับผลของบาปได้อย่างไม่สะทกสะทาน แต่เราไปหยุดกรรมของเราไม่ได้บาปของเราที่เราทำไปเราหยุดมันไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับมันไปแต่ถ้าเรามีบุญใจของเราก็จะไม่สะเทือนเข้าใจหอาจารย์คะถึงควาที่เราเราเคยคิดว่าบาปอาจาพูดถึงบาปเ่ที่เอาถือว่าเราเคยทาอะไรมาก็แล้วแต่อาูตรงนั้น คือถ้าเราทำมาเดี๋ยวมันจะต้องเกิดผลขึ้นมาที่เราเคยไปฆ่าคนอื่นนี้ชาติก่อนไปฆ่าคนอื่นชาตินี้เ้าจะมาตามฆ่าเราถ้าเรามีบุญเราจะไม่เดือดร้อนใจอย่างพระโมคคัลลานะท่านก็เป็นพระอระหันต์ท่านมีบุญมากพอถึงเวลาเขาจะมาฆ่าท่านท่านก็บอกให้เขาฆ่าท่านบอกท่านไม่เดือดร้อนและท่านรู้ว่าหนีไม่พ้นถึงแม้มีอิทธิฤทธิปาฏิหารจะทาให้หายตัวได้ก็ตาม เดี๋ยวเขาก็ตามมาใหม่ฉั so old, ้นก็ปล <laughs> <That 's İs ram> <laughs> ่อยให้เขาฆ่าไปเพราะชั้นใจท่านไม่เดือดร้อนเี้ยแต่ถ้าเราพวกเรานี่เดือดร้อนกลัวกันไม่ยอมให้เขาฆ่ากันก็ยังไม่ถึงเพลิงหลังครับอ่าไม่งสรุปไม่าย้ต้องถึงพระหลังก็แต่ระดับมันก็ช่วยได้ระดับต่างต่างกัน ทำบุญทำทานก็มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งรักษาศีลก็ได้ในระดับหนึ่งมันก็เหมือนกับเบาหนาเนอะเบาหนาบางต่างกันบุญก็บางหน่อยศีลก็หนาหน่อยสมาธิก็ยิ่งหนาใหญ่ถ้าบรรลุธรรมก็ยิ่งหนาใหญ่ก็ทําไปก็แล้วกันนะทําไปก็คิดว่าต่างคนต่างต้อง คิดกันเอาเองก็แล้วกัน <laughs> ถ้าเราทําบุญแล้วเราตั้งใจอธิษฐาแนแนวแน่มากสิ่งนั้นมันจะปรรุ อ, อ๋อผลมันไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานผลเกิดจากการกระทําถ้าเราทํามันถ้าเหตุมันพร้อมมันก็ผลก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเหตุยังไม่พร้อมผลก็ยังไม่เกิด งั้นให้อธิษฐานที่เหตุขอให้เราทําเยอะๆถ้าทําเยอะๆแล้วทําเต็มที่แล้วเดี๋ยวผลมันเกิดขึ้นเองถ้าทํานิดเดียวแล้วขอให้ผลเกิดนี้มันไม่เกิดก็ยแาบบนะต้องอยู่ที่อยู่ที่เหตุเวลาอธิษฐานให้เราอธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลขอให้ทําเยอะๆขอให้ทําบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันผลก็จะเกิดขึ้นเองไม่ใช่ทําผลเดียวแล้วขอให้ไปพระนิพพานเนี้ขอไปยังไงก็ไม่ไปหรอก เอาใจไหมถ้าอยากจะไปนิพพานต้องขอทำบุญบ่อยๆขอรักษาศีลบ่อยๆให้นั่งสมาธิบ่อยๆให้เจริญปัญญาบ่อยๆถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็ถึงนิพพานแน่อยากจะกลับหรือยังหรือ <c oughs> อยากจะฟังต่อเราจะเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ทางบ้านติดตาม ก็อลอส่งข้อความเข้ามาถามคำถา ม, ถามอยากจะลองฟังดูก็ได้นะถ้า อ, อยากจะไปก็ได้ไม่อยากไปครับยงว่าอยากนะอยากฟังครับอ่าอยากฟังอ่ามีคําถามไหมอ่าเปิดเข้ามาเลยคํถาถามจากคุณโมนีเวลาช่วงที่ฟังคําสอนของพระอาจารย์ทุกวันทางเฟซบุ๊กย้อนหลังเวลากลับจากทํางานหรือฟังสดทุกวันหยุด หนูจะรู้สึกปรับปื้มมีความสุขมากแต่พอหมดเวลาต้องกลับไปอยู่กับกิบกจวัตรประจําวันเดิมๆเพื่อเตรียมตัวไปทํางานในวันรุ่งขึ้นมันรู้สึกเบื่อหนมากค่ะขอคําแนะนําขอคําแนะนาําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็เวลาฟังธรรมเหมือนเราเข้าไปในห้องปรับอากาศมันก็เย็นสบายพอเวลาเราไปทํางานแล้วเหมือนออกไปออกไปข้างนอกห้องที่มันไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศมันก็ร้อน เพรเวลาเราไปทํางานเราก็ต้องเครียดกับงานการต่างๆมันก็เลยทําให้ใจเราไม่สบายเฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าการไปทํางาน <Yeah. S 1> มันเครียด <c oughs> ก็พยายามทําให้มันน้อยลงสิมาฟังทําให้มันบ่อยขึ learning, <c oughs> ้นให้มากขึ้นลดการหาเงินให้น้อยลงแต่ลดการหาเงินให้น้อยลงได้ต้องลดการใช้เงินให้มันน้อยลงด้วยที่เราต้องหามากเพราะเราใช้มากกันนะถ้าเราไม่ใช้มากเราก็ไม่ต้องหามาก ถ้าไม่ใช้เลยก็ไม่ต้องหาเลยเัยงนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ใกล้อยู่ในห้องปรับอากาศมากขึ้นเราก็ต้องลดการออกไปนอกห้องลดการออกไปทำงานทำการให้มันน้อยลงไปตดวในที่สุดก็ไปบวชได้เลยถ้าบวชได้เลยก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมทั้งวันทั้งคืนยใจก็จะเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องไปวิตกกังวลกับลูกกับ แฟนกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับอะไรกับทรัพย์สมบัติกับอะไรต่างๆนานาเนี่ยนสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวทําให้เราต้องวุ่นวายใจกันถ้าเราตัดได้อยู่คนเดียวได้เราจะสบายข้อที่สองอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะแนวทางการนั่งสมาธิสําหรับผู้เริ่มด้วยค่ะเช่นก่อนนั่งต้องสวดมนต์บทไหนก่อนหรือเปล่าคะแล้วค่านั่งวันละ หนึหลายๆครั้งจะได้ไหมคะคือการการนั่งนั่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเหมือนหาเงินน่ยหาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรวยยิ่งมากได้ได้เงินมากยิ่งนั่งสมาธิได้มากกี่ชั่วโมงได้ยิ่งดียิ่งมากเท่าไหร่ก็จะได้ผลมากขึ้นนะสว่วนวิธีนั่งนี้เวลาเริ่มต้นนี่จะสวดมนต์ก็ได้ไม่สวดมนต์ก็ได้แล้วแต่จิตใจของแต่ละคน บางคนนี้พอจะเริ่มนั่งให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธมันไม่ยอมอยู่มันยังคิดมากก็สวดมนต์ไปก่อนเพราะการสวดมนต์จะทําให้เราสามารถที่จะทําให้ความคิดต่างๆนี่มันมันอ่อนกําลังลงได้แล้วพอเราสวดไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าสบายแล้วไม่คิดแล้วเราก็ค่อยดูลมไปพุทโธไปถ้าเราไม่คิดเลยเวลาเริ่มจะพุทโธไปเลยก็ได้จะดูลมไปเลยก็ได้ ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราทางานกลับมาแล้วมันเหนื่อยมากเราไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิได้เพราะว่ามันจะหลับอาศัยสวดมนต์ยาวๆแทนได้หรือเปล่าได้ได้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าบางทีทำงานมาแล้วมันคิดมาก ไม่มีกำลังที่จะมาหยุดความคิดต่างๆได้เมื่อมันจะคิดกัมันคิดไปในทางบทสวดมนต์แทนการสวดมนต์ก็เป็นการคิดอีกแบบหนึ่งเวลาคิดแล้วมันเย็นสบายไม่วุ่นวายใจมันคิดกับเรื่องเงนินเรื่องทองเรื่องงานเรื่องการต่างๆที่การมาสวด น, นี่ก็เพื่อเป็นการดึงเอาความคิดที่ไม่ดีออกไปแล้วเอาความคิดที่ดีเข้ามาแทนที่การสวดมนต์นี่เป็นความคิดที่ดี ส่วนแล้วจะทำให้ใจเราเย็นสบายถ้าเราปล่อยให้คิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองก็เครียดขึ้นมาอีกพอใจนะแต่ถ้าเรานั่งได้ดูนมได้พุโทโธได้ก็ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ก็สวดบนไปก่อนได้ยังดีกว่าปล่อยให้มันเครียดปล่อยให้มันคิดต่อไปแบบไม่รู้จักจบจากสิ้น ทั้งทั้งที่กลับมาจากที่ทํางานแล้วยังเอางานมาทําที่บ้านต่ออย่างเงี้ยโอทีก็ไม่ได้เอามาคิดทําไมใช่ไหมงานอยู่ที่ที่ทํางานก็ทิ้งมันไว้ที่นั่นพอมาถึงบ้านเราก็ลืมมันเสียไม่ทิ้งเสียลืมมันก็ส่วนบนไปคำถามจากคุณเฟิร์นเพื่อนเขาไม่มีครูบาอาจารย์ตัวเป็นๆแต่มีอาจารย์ส่วนตัวมาสอนในนีมิตหรือในฝัน แบบนี้มีจริงไหมคะหรือเขาจิตปรุงแต่งเองคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเป็นอาจารย์แบบไหนสอนสอนเราได้อย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่นิมิตนี้มันนิมิตที่ออกมาจากใจของเราเองไม่ได้นเป็นนิมิตแท้คือเป็นอาจารย์จริงๆมาจากมาจากอาจารย์ที่เป็นร่างทิพย์กายทิพย์อย่างพระพุทธเจ้านี้ไปเป็นอาจารย์สอนแม่ในสวรรค์อย่างนั้น อาอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอาจารย์จริงแต่ถ้าอาจารย์ที่ปรากฏอันนี้มิสอิ น, นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์จริงหรืออาจารย์เกแล้วเขาสอนนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาสอนถูกหรือสอนไม่ถูกถ้าเขาสอนถูกก็ไม่เป็นไรใช้ได้ถ้าเขาสอนไม่ถูกเราก็จะหลงทางได้ที่เราเป็นลูกศิษย์เราจะไปรู้หรือเปล่าว่าเขาสอนถูกหรือสอนไม่ถูกเห็นทางที่ดีเรียนกับพระพุทธเจ้าดีกว่า คืออ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารีกไวในพระไตยพระโดกนี้ก็ได้ดีกว่ามามามาเรียนรู้จากอาจารย์ในนิมิตซึ่งไม่รู้ว่าเขาสอนถูกหรือสอนผิดอย่างไรเราเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าแล้วต่อไปเวลาใครมาสอนเราเราจะได้รู้ว่าเขาสอนถูกหรือสอนไม่ถูกคำถามจากคุณพีแมนเรื่องพระอุ้มลูกสาวที่เป็นกระแสข่าวตอนนี้ ฝากถามพระอาจารย์หน่อยครับว่าผิดหรือไม่ผิดสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรขอบคุณครับเราก็ไม่รู้เรื่องเราอุ้มลูกสาวเป็นยังไงรู้ไหมพระอุ้มอุ้มทําไมไปอุ้มทําไมมีเหตุผลอะไรที่น้องอุ้มเปล่าเป็นลูกตัวเองครับผมอุ้ไมได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็แตะต้องไม่ได้ถ้าเป็นลูกถ้าผู้ชายก็อุ้มได้ ถ้าเป็นผู้หญิงพระไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ควรแต่ต้องสีกาเพศตรงกันข้ามถึงแม้ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นแม่ก็ตามยกเว้นกรณีที่มีเหตุมีผลจริงๆเช่นเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ลูกออกมาจากไฟไม่ได้พ่อเป็นพระก็อุ้มออกมาเพื่อความปลอดภัยอย่างนี้ก็เป็นกรณีไปอย่างนี้ก็ทําได้แต่อยากจะอุ้มโชว์อวดว่าเราอุ้มได้ อย่างนี้ไม่ควรพราอขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่ให้แตะต้องเพศตรงกันข้ามท่านกลัวเดี๋ยวไฟจะลุกไฟกิลเลสจะลุกขึ้นมาเข้าใจไหมไแตะเนื้อต้องตัวแล้วเดี๋ยวเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้แหกภ้าเหลืองไป น, นั้นเองท่านห้ามไว้เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการอารมณ์ต่างๆขึ้นมา คำถามจากคุณวรพถ้าบวชเป็นพระแล้วแต่ฝันว่ายังเป็นคารวะทําทผิดสิ่นห้าจะอาบัติไหมครับถ้าเป็นถ้าทํำผิดในในฝันไม่บาปหรอกเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาการมาบวชนี้ไม่ได้การกกองหัวหอมที่เหลือนี่จะทำให้เราเป็นพระขึ้นมาทันทีไม่ได้หรอกมันต้องมาปรับปรับเปลี่ยนความคิดของเราซึ่งมันจะต้องใช้เวลามากก่อนจะเป็นพระได้นี่ต้องใช้เวลามาก แต่เป็นพระทางภายนอกมันง่ายโกหัวห่มพ้าเหลืองก็เป็นพระแล้วแต่นั้นเป็นเพียงเป็นเป็นเปลือกยังไม่ใช่เป็นเนื้อจริงเนื้อต้องมาเป็นที่ใจถ้าเป็นที่ใจแล้วเวลานอนหลับก็จะฝันเป็นพระไปไม่ได้ฝันเป็นคารวาสคำถามจากคุณเข้มเวลาทําสมาธิบางครั้งนึกคําบริกรรมยากมากเลยเจ้าค่ะ มักจะเกิดในวันที่ทําสมาธิหลายๆครั้งเพราะปกติการนึกคำบริกรรมที่ใจคือหน้าอกด้านซ้ายพออาการนี้เกิดขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อกเกร็งและต้องใช้ความพยายามมากในการนึกคำบริกรรมแต่ละคําขอคำขอคำแนะนําจากอาจารย์ได้ค่ะอ๋อไม่ควรที่จะเอาคําบริกรรมไปผูกไว้กับที่ต่างๆของร่างกายให้อยู่กับคําบริกรรมก็พอไม่ต้องไปให้บริกรรมอยู่ที่หน้าอกให้อยู่กับคําบริกรรมไป เช่นเราร secondo, พุทโธพุทโธพุทโธเราก็อยู่กับคําพุทโธไปเท่านั้นเองไม่จําเป็นจะต้องไปผูกไว้กับที่หน้าอกหรือที่ตรงไหนที่ลมหายใจก็ไม่ต้องไปผูกไว้ะถ้าอยู่กับคําบริกรรมเหมือนกับเวลาเราคิดเราเอาความคิดไปผูกไว้ตรงไหนหรือเปล่าเราก็อยู่กับความคิดไปใช่ไหมคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้หรือเวลาเราสวดมนต์เราก็อยู่กับการสวดมนต์ไปเราไม่ได้เอาบทสวดมนต์มาอยู่ตรงหัวใจหรืออยู่ตรงนั้นตรงนี้ ดังในเวลาบริกรรมก็ให้อยู่ทำบริกรรมไม่ต้องมาไปอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้แล้ามันจะไม่รู้สึกเหนื่อยยาก oh. เราชอบไปทําของที่ง่ายให้มันยากขึ้นมาเองเข้าใจไหมเจนเวลาดูลมหายใจก็ต้องพุทเข้าโทรออกนี่มันก็ทําให้มันยากแล้วก็พุทพุทโทรไปเรื่อยๆก็หมดเรื่องที่มันต้องไปยุ่งกับลมทําไมหรือถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทโทดูลมอย่างเดียวมันง่ายกว่าสบายกว่า ตอบไปทาให้มันยุ่งยากแล้วนั่งแล้วไม่สงบ ก, กันคำถามจากคุณชานณะนะเวลานั่งสมาธิแล้วเห็นเหมือนเป็นคลื่นๆสีดำขอบคลื่นๆจะเป็นสีขาวเทาๆแล้วพุ่งเข้าใส่หน้าลักษณะนี้เป็นสมาธิหรือเปล่าครับอย่างนี้เรียกไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิต้องนั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้นั่งพุโทโธพุโทโธไป ถ้าไปนั่งดูอะไรต่างๆในใจนี้เป็นเป็นเรื่องแบบนั่งเพลยเจอร์และไม่ได้นั่งสมาธิอย่าไปดูอะไรเราต้องการควบคุมใจไม่ให้มันผลิตอะไรออกมาไม่ให้มันคิดไม่ให้มันสร้างนิมิตอะไรต่างๆขึ้นมาให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันเย็นให้มันสบายมันจะเย็นได้สบายได้ต้องมีพุทธโธพุทธโธกำกับใจหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว ถ้าเดี๋ยวมันก็จะสงบจะเย็นจะสบายคำถามจากคุณโลอยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าปฏิสามุิบาทหนครับปฏิจจสมุปบาทถามอยู่เรื่องมอแล่าให้ไปเปิดกูเก l e ดู ง, ง่ายๆนะอาจารย์ที่บานาน่าจะละเอียดชัดเจนกว่าคำถามจากคุณอยู่กับปัจจุบัน นั่งสมาธิแล้วมีอาการแปลกๆเกิดทุกครั้งก็จะมองเป็นอนิจจังเหมือนที่พระอาจารย์สอนแต่ถ้าเกิดอาการบ้านหมุนจะสู้ไม่ได้คะ่ะยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยจะแก้ไขอย่างไรดีคะพ่อไม่อยู่กับพุโทโธให้ตั้งกลับมาอยู่พุโทโธแล้วอาการต่างๆจะไม่มีหรอกอย่าลองนั่งล้อให้มีพุโทโธกํากับใจไปอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาดังั้นต้องนั่งแล้วมีพุโทโธแล้วมีลมหายใจกํากับ นะถึงจะนั่งที่ถูกวิธีแล้วจะไม่มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมากรลอกก็รอลอกกรลอกมาลอกกาอลอกมันตกใจคำถามจากคุณเจผมปฏิบัติสมาธิทุกวันเช้าและก่อนนอนเป็นประจำแต่พอเพิ่มการปฏิบัติมากกว่าเดิมจะเกิดความเครียดจะแก้ปัญหานี้ไม่ให้เครียดอย่างไรครับ ก็เพราะว่ากําลังของเรามันหมดไงสติเราไม่มีกําลังพอที่จะนั่งมากไปก่อนนั้นได้เราก็ต้องสร้างสติเพิ่มขึ้นมาก่อนจะนั่งก็ให้ฝึกสติไปเรื่อยๆในเวลาทํางานทําการนรือทาอะไรก็ตามให้มีสติควบคุมใจไว้อย่าปล่อยให้ใจลอยไปตามความคิดต่างๆให้อยู่กับพุโทโธไปและให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น อย่าไปคิดเพ้ฝันเพ้อเจ้อแล้วเวลาจะมานั่งมากขึ้นมันก็จะมีกําลังนั่งได้มันจะไม่เครียดเพราะมันคุมใจได้อยู่ที่มันเครียดเพราะใจมันต่อต้านใจมนไม่อยอมให้นั่งใจมันอยากจะคิดคําถามจากคุณอํานงค์นะัตั้งแต่ปฏิบัติมาไม่อยากดูละครทีวีอยากจะฟังธรรมะแล้วรู้สึกสบายใจและพยายามภาวนา อยากมีเรื่องวุ่นวายถือว่าการปฏิบัติเริ่มได้ผลใหม่เจ้าคะได้ผลแนละ้วเริ่มมาทางธรรมะนะละเมื่อก่อนไปทางโลกทางรูปเสียงกลิกรรก่นรดพอได้สัมผัสลถแห่งธรรมแล้วรู้ว่าลถแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงก็เหน่อยเบื่อรดทางโลกเบื่อทางรูปเสียงกลิกรรก่นรดแล้วก็อยากจะมาทางธรรมเหมือนกับเราเคยขับรถมือสองแล้วได้ซื้อรถใหม่ไงพอได้ซื้อรถใหม่แล้วก็ไม่อยากจะขับคันเก่าลนะ คานเก่าก็ยกให้คนอื่นไปขับคันใหม่ดีกว่าคําถามจากคุณปัทมาภรเคยไปนั่งฟังธรรมบนเขาสดสดรู้สึกสงบอิ่มใจสุขใจมากๆคราวนี้มาฟังทางไลฟ์แล้วใจอยากไปนั่งฟังพระอาจารย์สดสดถือเป็นกิเลสไหมคะความอยากในธรรมนี่ถือว่าเป็นมากเป็นธรรมะไม่ได้เป็นกิเลสถ้าเราไม่อยากในธรรมเราจะมา มาปฏิบัติทําได้อย่างไรดังนั้นการอยากในธรรมนี้ที่เรียกว่าเป็นฉันทะวิรยิยะจิตตาวิมังสาเรียกว่าเป็นอิทธิบาทสี่เป็นความอยากที่ดีความอยากที่ไม่ดีก็มีความอยากที่ดีก็มีความอยากไม่ดีก็มีสามันความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่าความอยากไม่ดีความอยากให้ สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ดีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่ดีสามอย่างนี้เท่านั้นที่เป็นความอยากที่ไม่ดีส่วนความอยากที่ดีก็อยากทำบุญ Zelda, อยากไปอินเดีย <Yani> <attachment> อยากจะรักษาศีลอยากจะไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปฟังเทศฟังธรรมความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่เป็นโทษ เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะจะทำให้ไปถึงพรนธุนิพานได้ต้องถามจากคุณเกศลานั่งสมาธิรู้สึกตัวเบาค่ะแล้วลูกก็รีบออกจากสมาธิเลยขอคำแนะนำด้วยค่ะก็ไม่ควรถ้ามันเบาก็ควรจะนั่งต่อไปนั่งให้มันจนกระทั่งมันหายเบาก่อนจนกระทั่งจิตมันเริ่มเริ่มอยากจะออกลุกค่อยลุกขึ้นมาถ้ามันยังสบายอยู่อย่าไปเดึงมันออกมานั่งให้นา น, น, าน นั่งให้สงบเพราะมันจะเป็นกำลังของจิตที่จะทำให้เราเฉยกับสิ่งต่างๆได้ยิ่งนิ่งยิ่งนั่งได้นอนยิ่งนิ่งได้เท่าไหร่ยิ่งมีกำลังเฉยเวลาใครด่าก็จะเฉยได้เวลาใครเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราก็จะเฉยได้คาถามจากคุณมาศนา บางคนเขาชอบทาบุญปิดทองฝังรูปนิมิตมากพอถึงเทศกาลฝังรูปนิมิตเขาต้องตะเวนให้ได้เก้าวัดลูกอยากทราบ อ, อันิี้สมว่าเป็นอย่างไรคะก็เป็นความเชื่อคือคฝังลูกนิมิตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอุโบสถเนอุโบสถมันก็มีความจําเป็นเพราะพระจะบวชก็ต้องบวชในโบสถ์กันทําพิธีกรรมของทางศาสนาก็าต้องมีโบสถ์ ในเวลาสร้างโบสถ์นี่เขาจะต้องมีฝังลูกนิมิตคือลูกนิมิตนี้เป็นตัวปักเขตแดนให้รู้ว่านี่เป็นโบสเนี่ยเนี่ยก็จะมีกี่ลูกไม่รู้รอบโบสเลยเพื่อจะได้รู้ว่านี่คืออนณาเขตของของการทําสังฆกรรมถ้าอยากจะทําสังฆกรรมต้องทําอยู่ในในขอบในในเขตนี้ในการฝังลูกนิมิตก็เป็นเหมือนกับการไปปักหลักไหมเหมือนสมัยนีย้เวลาเราไปเราไปอะไรเขาเรียกอะไร ตำรวจที่ดีนเหนือลางวัดเขาก็ไปปักหมุดว่านี่นะตรงนี้เป็นเขตของคุณนะอันนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนเขาไม่ได้มีหมดุดเขาใช้ลูกนิมิตแทนมันก็เลยเป็นธรรมเนียมเวลาจะสร้างโบสถ์กันเขาก็ฝังลูกนิมิตกันทีนี้สมัยนี้พระอยากจะสร้างโบสถ์แต่ไม่มีเงินเขาก็เลยเอาเอาเรื่องฝังลูกนิมิตมาเป็นวิธีหาเงินมาอขายปัดปิดทองฝังลูกนิมิตจะได้บุญเยอ ะ, อะ คนก็เลยอยากจะได้บุญก็เลยมาซื้อทองมาปิดกันป้าก็เอาเงินทองนี่มาสร้างโบสถ์อีกทีนึงหนอยต้องปิดหลายปีกว่าจะเสร็จก็จะมาบางที่โบสถ์อย่งยี่สิบปีนี่ปะาปิดทองฝังลูกนี้ไม่กันยี่สิบครั้งเนลยแต่ปิดแล้วยังไม่ได้ฝังไงเพราะฝังแล้วถ้าทีว่าจบไงก็เลยไม่ฝังกันมีแต่ปิดทองเฉยๆเอาลูกนี้มิตไปตั้งไว้ที่ที่วัดแล้วก็ใครอยากจะปิดทองก็มาปิดทองลูกนี้มิตรนะ ถ้าไม่มีลูกนิมิตหนึ่งก็ไม่มีเล่องของล่อใจไงใช่ัหมให้ให้ญาติโยมมามาปิดทองกันสมัยก่อนพระพุทธลูกก็ปิดทองกันได้แต่สมัยนี้พระพุทธลูกเป็นทองเหลืองเป็นอะไรไปแล้วไม่เลยไม่มีที่ปิดกันนะก็เลยต้องหาลูกนิมิตมาปิดก็จะได้มีเครื่องหนึ่งดูดใจให้ญาติโยมที่อยากจะทําบุญจะได้เข้ามาทําบุญได้เ่นั้นเอง ก็ก็เหมือนกับเราถวายถวายถวายข้าของอย่างอื่นเนี่ยปลูกกุฏ claro ิปลูกศาลาอ่าปลูกห้องน้ำสร้างห้องน้ำสร้างเมนอะไรนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันก็เรียกว่าวัตถุทานเกิดการให้ด้วยข้าวของต่างๆก็เรียกว่าเป็นบุญเหมือนกันี่ผ้ากระถินนี่ก็เหมือนกันก็เป็นบุญเหมือนกันแล้วแต่ว่า ผู้รับนี่เขาขาดแคลนอะไรคนจะให้ตามที่ผู้รับเขาขาดแคลนจะดีกว่าถ้าเขาขาดโบสก็ไปช่วยกันสร้างโบสถอย่างนี้ถ้าเขาขาดเจดีก็ไปช่วยกันสร้างเจดีขาดกุฏิก็ไปสร้างกุฏิขาดผ้า ก, ก็ไปทำผ้าป่าทำกระถินกันอันนี้ก็เรื่องของความขาดแคลนมากกว่าคนจะดูตรงนั้นด้วยไม่ใช่ก็บอกว่าโอททำบุญปรดฝังลูกนิมิต ด, ดีก็จะฝังแต่ลูกนิมิตอย่างเดียว าเวลามาบินธบาทก็ไม่ใส่บาทรมันจะละ่ะนี่พาก็อดตายกระจายไหมคงถามจากคุณทิวตัวเลขต่างๆเช่นเบอร์โทรศัพท์มีผลต่อชีวิตจริงหรือไม่ครับไม่มีหรอกเหมือนจะมีได้ยางไงจะบอกแล้วไงผลที่ตัวที่มีผลกับชีวิตเราก็คือบุญกับบาทนี่แหละคงถามจากคุณทิพย์ สุขภาพไม่ดีป่วยบ่อยเดี๋ยวโรคโน้ตโรคนี้ฟังธรรมะก็เข้าใจว่าลูกเคยผิดศีลข้อที่1ทุกวันนี้พยายามรักษาศีล5้าโดยเฉพาะข้อหนึ่งพยายามไม่เบียดเบียนชีวิตแต่กับเจอแบบไม่เจตนาอยู่ดีๆก็ไปเหยียบเขาตายเวลาขับรถตอนฝนตกก็ยิ่งเลี่ยงก็ยิ่งเจอบางทีหลบจนเกือบชนกับรถทันอื่น ลูกจะบาปมากไหมคะพยายามเลี่ยงแล้วนะคะไม่ไม่สบายใจเลยเวลาที่รู้ว่าเขาตายเพราะเราเอาถ้าเราไปทําละชีวิตผู้โดยที่ไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจนี่ไม่ถือว่าบาปเป็นเป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีผลต่อต่ออนาคตของเรานอกจากว่าจะไปเจอคนอื่นก็เหตุสุดวิสัยขับมาชนเราเป็น เ น, นั้นถ้าเรามันอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจอของอย่างนี้กันเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่มีเจตนานี้จะไม่มีมันไม่เป็นบาปคำถามจากคุณชนะนาณาลูกชายปวดทะหนึ่งพันสาพอสึกออกมาไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่เชื่อว่ายังได้ว่าจะได้บุญมากกว่าลูกผู้หญิงที่ดูแลพ่อแม่จริงหรือไม่ครับือ เขาดูแลหมือไม่ดูแลนี่ไม่ได้อยู่ที่เขาบวชก็ไม่บวชหรอกบวชพราหนึ่งบางทีมันบวชแบบทัพพีในหม้อแกงมันก็ไม่รู้มันบวชบวชแบบไม่ศึกษาแบบไม่ร่าเรียนมันก็ไม่รู้เรื่องอบุญบุญกรรมดีชั่วเป็นอย่างไรบวชแบบนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาบวชแล้วเขาจะต้องเป็นคนดีเสมอไปบวชแล้วเขาออกมาเป็นโจรก็ได้ ทีเวลาไปบวชก็ไปวางแผนที่ในวัดก็ได้ว่าเอาเวลาเสกมาแล้วจะไปป้นธนาคารไหนดีอันนี้ไม่งั้นมันต้องมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชจริงหรือบวชไม่จริงบวชแล้วศึกษาลรําเรียนหรือเปล่าหรือบวชแล้วไม่ได้ศึกษาล่ําเรียนงั้จะไปไ ป, ไปว่าเป็นการบวชแล้วทาให้เขาไม่ดีก็ไม่ได้เพราะคนที่บวชแล้วดีมีต้องเยอะแยะไป คนที่บวชแล้วมีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็มีเยอะแยะไปคนที่ไม่ได้บวชแต่ที่มีความกระตันอยู่ก็มีเยอะแยะไปเหมือนกันเพราะมันนี้เป็นเรื่องของจิตจำเนึกของแต่ละคนถ้าไม่มีแล้วไปบวชก็อาจจะเกิดจิตสำเนึกขึ้นมาก็ได้แต่คนที่เขามีจิตจำเนึกอเขาไม่ต้องไวบวชก็ได้เขาก็เขาก็มีความกระตันอยู่อยู่ภายในจะอยู่ภายในตัวของเขาอยู่แล้วแในเมื่อกี้คาถามเขาว่าไง ถูกไหมถามว่าจะได้บุญมากกว่าลูกผู้หญิงที่ดูแลพ่อแม่หรือเปล่าคะคนที่ดูแลพ่อแม่ต้องได้บุญมากกว่าคนที่ไม่ดูแลเลยคําถามจากคุณกุ้งเมื่อภาวนาไปแล้วเห็นพ่อต้องเตากินทําให้พ่อต้องผ่าตัดสี่ถึงห้าครั้งเป็นเพราะผลกรรมของพ่อมีบิดทีช่วยบรรเทากรรมนี้ได้ไหมคะก็ต้องหยุดทํากรรมนั่นสิ แล้วก็ไปปล่อยเต่าแทนคำถามจากคุณบัวทิพย์ขณะทำงานเกิดมีอาการเหน็บชาก็คิดว่านี่ทุกมาเยือนแล้วเลยนั่งคนไปดูมันไปเพราะคิดว่าเป็นไตลักแต่อดทนนั่งไปใจนี้มันทรมานเจ้าค่ะควรทำอย่างไรให้ผ่านจุดนี้ไปได้คะที่เราทรมานเพราะเราอยากให้มันหายอยากให้มันหาย และเราต้องอย่าไปอยากให้มันหายต้องบอกปล่อยมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วเราก็จะไม่ทรมานคาถามจากคุณปัทมาพรถ้าเกิดนั่งสมาธิแล้วรับรู้ในเสียงทุกอย่างอันนี้คือจิตเราฟุ้งใช่ไหมเจ้าคะใช่จิตเราไม่มีสติกํากับไปไปรับรู้เรื่องราวต่างๆต้องนึงจิตให้มารับรู้อยู่เรื่องเดียวถ้าใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธเพอย่างเดียว ถ้าใช้ลมก็ให้รู้ลมเพียงอย่างเดียวอย่าไปรับรู้เรื่องอย่างอื่นแล้วคำถามจากคุณมีให้แค่เท่านี้ผมปฏิบัติสมาธิโดยภาวนาพุโทโธสักพักจิตไปจับที่ลมหายใจเลยดึงจิตมาจับที่ภาวนาพุโทโธสักพักจิตเริ่มนิ่งเห็นแสงสีขาววูบวาบแต่ความรู้สึกเหมือนจิตเราหมุนกับหัวแล้วค้างกับหัวอยู่แบบนั้น แต่รู้สึกสบายมากแบบนี้แสดงว่าผมปฏิบัติถูกต้องไหมครับยังไม่ถูกหล่ะควรจะอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปอยู่กับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้เพราะผลที่เราต้องการไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการจิตว่างจิตสงบจิตเย็นจิตสบายไม่มีอะไรให้รับรู้แม้แต่ความคิดปรุงแต่งก็หายไปคํถาถามจากคุณทัชนน เมื่อวานลูกจับได้ว่าเด็กปั้มโกงการเติมเงินเติมน้ํามันสองร้อยบาทแต่ลูกบอกว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่ลูกเจอลูกให้อภัยอย่างนี้ลูกปล่อยเขาง่ายๆแบบนี้บาปไหมคะก็ถือว่าเป็นการทําบุญไม่รู้จะบาปตรงไหนอาจจะไม่ดีตรงที่ว่าอาจจะทําให้เขาเสียนิสัยเพราะว่าเราเขาอาจจะคิดว่าเราเขาจะได้ใจแล้วจะทําต่อไปอ ทางที่ถูกก็ควรที่จะบอกเจ้าของปั๊มหรือบอกคนที่เขารับผิดชอบว่าเด็กคนนี้ก็ทําแบบนี้นะอ่แต่เราไม่เอาโทษไม่ถือโทษกดเคืงเขาแต่ต้องแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้เพื่อเขาทําแล้วไม่มีการรับรู้หรือมีการกล้ากล่าวตักเตือนเขาอาจจะทําต่อไปก็ได้ซึ่งไม่ดีทั้งเขาและผู้อื่นตัวเขาก็ไม่ดีตัวเขาก็ทํำบา ผู้อื่ก็เกิดความเสียหายขึ้นมาคําถามจากคุณตู่การบริกรรมพุทโธต้องทําพร้อมกับจังหวะลมหายใจเข้าออกแต่ละตัวหรือไมค่ครับอย่างที่บอกว่าไม่ควรที่จะเอาสองอย่างมาปนกันควรจะเอาอย่างเดียวจะดีกว่าถ้าบริกรรมก็บริกรรมไปเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมหายใจแต่ช้าก็เร็วก็ได้อยากจะบริกรรมเร็วก็ได้อยากจะบริกรม ร, กก ร, กรมช้าก็ได้ แต่ถ้าไปผูกไว้กับลมหายใจมันก็ต้องมันก็ต้องไปตามลมหายใจลมหายใจช้าก็ต้องบริกรรมช้าซึ่งส่วนใหญ่ลมหายใจมันบมันหายใจเร็วไม่ได้อยู่แล้วดังั้นทางที่ดีอย่าไปเอาสองอย่างมาปนกันนะแยกกันดีกว่าถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวเลยถ้าจะบริกรรมก็บริกรรมอย่างเดียวแล้วจะสบายกว่าจะสงบง่ายกว่า คำถามจากคุณดาเล่เรื่องการจะลือสารพระภูมิและสารเจ้าที่ออกสาเหตุเพราะเป็นไม้เก่าแล้วโดนพายุฝนเอียงจะล้มแล้วต้องมีพิธีการในกรลื้อในการรื้อใหม่เจ้าคะและถ้ารื้อแล้วไม่ตั้งใหม่ได้ไหมเจ้าคะแล้วแต่ความเชื่อถ้าเราเชื่อว่ามีมีผู้มาอยู่สารพระภูมิจริงเราก็ต้องเราก็ต้องไปทําตามพิธีของเขาต้องไปหาคนที่เขารู้จัก เรื่องการรื้อการตั้งสารพระภูมิถ้าเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นความเป็นความเชื่อที่ไม่มีความจริงอะไรไม่มีใครมาอาศัยอยู่ไม่มีเจ้าที่เจ้าทางอะไรเราก็ลื้อไปหรือถ้าเราจะให้มันสบายใจหน่อยก็ก่อนที่จะลื้อก็จุดธูปเทียนแล้วก็ขอขมาลาโทษเผื่อถ้ามีเจ้าที่ก็บอกว่าอ่าต้องขออภัยนะเพราะว่าตอนนี้มันพังแล้วเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์ก็ลื้อไป หรือถ้าอยากจะให้สบายใจก็ไปสร้างใหม่ให้เขาอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลื่อไปคาถามจากคุณศิริวัณการที่เราต้องทำงานด้วยแต่เราต้องพยายามทาจิตไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตเวลาครูบาอาจารย์ถามเราเราก็สติไม่พอในการตอบหลงไปในอดีตอนาคต ทำยังไงเราจะไม่ไปอดีตอนาคตต้องแก้ไขยังไงคะก็ต้องต้องไม่ทํางานนี่ยถ้าหยุดงานได้มันก็จะสามารถดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้แต่ถ้าทํางานมันก็ต้องคิดทั้งอดีตทั้งอนาคตมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาดังนั้นคนที่เขาต้องการให้จิตอยู่ในปัจจุบันเขาถึงลาออกจากงานกันเขาไปบวชกันบวชแล้วเหรออ่าดีที่ว่าพอสมควรนะ วันนี้คำถามก็เยอะพอสมควรเวลาก็ใกล้จะหมดมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก้าแค่นี้ลหละนะขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด